เั้นขึ้นตอนใหม่ในการนี้จะพอกาดตอ้นพูดที่อาจารย์ถามว่าใครสองโยมดูเรื่องน้จันสังขารไหมอาจารย์โยมันจะใช่หรือไม่ใช่หลวงพ่อพโมททนอาจารย์พโมทถ้ลมได้ก่อนอจาก่อนในในบอกมาจากท่านโกเอนกจากโการก็ใช่ แต่ก็แค่เพิงรู้ใจทีันได้ก่อนโวยก้าก่อนท่านอาจารย์พมอดเองเขาบนี้ได้เป็นสิปีแล้วตั้งนานแล้วแสดงว่าเป็นกรรมฐานที่ติดอยู่กับอุปนิสัยแล้วไม่ยอมเอามาใช้เป็นอุปนิสัยที่ถูกกับจริตอยู่แล้วไม่เอามายใช้ก็เลยไม่ค่อยก้าหน้าไม่ก้าหน้าไม่ในั่นได้ตาที่เคยไดมันไม่มีอุบาดใจจริงฉะนั้นต้องใช้ตรงบทเนี่ยคือบทที่มีมีความสําคัญต่อทางเดินของจิต การพี่นาเห็นความไม่เที่ยงอธิจรเนี่ยท้งที่นาให้กว่าเจริญให้มากเพราะเวูคุยฟังเรื่องนี้เขาเก่งเรื่องเกีเ่ยวกับปิเศนพวกนี้ น, นะ<ม>นจงังความเปลี่ยนแปลงเนาะเห็น<ม>เป็นอะไรเนี่ยเปลี่ยนเล้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนจโกเอง<ม>อ่ะโอาจิมพื้นขนมามาทำนังไงกับดูอสุภาษิตดูไม่เห็นชัดมากเลยดูแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วแต่อสุภาอิตรมายัง ไ, ม, งไ ม, ม่แต่มันกลัวอสุภาษิตอรตมายังไม่ ยังไม่แนะนําให้ทํามาก mm hmm. เพราะาสุภาพ mm hmm. มันยังไม่ใช่ธาตุแท้ของกาย mm hmm. อาสุภาษิตเป็นแค่การแสดงออกถึงปฏิกูลปฏิกูลของกายถ้ากลัวแสดงว่าสติไม่พอ mm hmm. การไปเห็นอสุภาพิตกับพี่นะาาสุภาษิตไม่เหมือนกัน mm hmm. ถ้า พ, พิจารณาอาสุภาพมันจะไม่มีการกลัว mm hmm. มันจะมีสติแต่ถ้าไปเห็นอสุภาพอันนั้น มันจะมีการกลัวรือไม่มีสติเห็นเห็นกับคือไปเห็นแต่ไม่มีคําอธิบายในสิ่งที่เห็นก็เลยกลัวแต่การเขาเรียกว่ามีความเห็นแต่ไม่มีความรู้เข้าไปประกอบอย่างเงี้ยเห็นแต่ไม่มีความรู้ประกอบมันก็เลยขาดสติก็เลยกลัวแต่คนที่มีความรู้พิจารณาจากความรู้จนเข้าไปเห็นอันเนี้ยจะไม่มีความกลัวจะมีสติในขณะที่รู้ เมื่อมีสติในขนาดที่รู้ที่เห็นก็มันก็จะเข้าใจแล้วก็สามารถนำมาเป็นปัญญาได้เหมือนกับจุลับปัญหุที่เห็นร่างกายเป็นของสุกโปก์ผ้าเช็ดสินสุกโปก์ผ้าเช็ดสินสุกโปกขยําไปละโชวา ล, ะละนางละชงกางล ะ, ล ะ, ละติผ้าเช็ดสิ่งสุกโปกจนมาดูผ้าตัวนี้มันเปื้อนเปื้อนเพราะตัวเองขยําขยำก็คือมนทินของกายมันติดอยู่ที่ผ้าก็เลยมองว่เาเนาผ้าเช็ดสินสุกโปก กายนี้สกปรกเลยเพราะกายนี้สกปรกพิจารณาเลยทีนี้กายนี้เป็นของสกปรกเส้นผมก็สกปรกขนก็สกปรกเล็บก็สกปรกฟันก็สกปรกเลื้ยก็สกปรกลานเก็ดหนังเนื้อกลดูมเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับท้องผิวไตปอดก็เป็นของสกปรกแต่อย่างเช่น้อยอาหารแม่อาหารก่อลวดแล้วแต่เป็นของสกปรกก็พิจารณาย้ำไปย้ำมาย้ำมาย้ำไปจนเห็นความสกปรกในกายจากการพิจารณานั้นเพื่อเป็นอสุธาใช่มันมันจะมีการพิจารณาพร้อมกับความเห็น อันนี้บางทีจิตไปเห็นแต่ความรู้คือคําอธิบายไปไม่ถึงพอเห็นปั๊บก็เลยกลัวมันมันไม่ได้เห็นสุกปกแน่จ้าเห็นเห็นน้ำเล็ดน้ํานองเห็นหนองก็นั่นแหละก็นั่นแหละตัวเขียวหรือวบนย่างเนี้ยไปเห็นไปเห็นเป็นนิมิตแต่ไม่ได้เกิดจากการพิจารณาแล้วไปเห็นแต่เป็นไปเพ่งให้เกิดนิมิตเห็นเพ่งให้เกิดนิมิตเห็นนี่จะไม่มีสติปกป้องเพราะเมื่อก่อนในกลุ่มนี้เขาไป ไปอยู่ไปดูว่าใจใหญ่หรือเปล่านั่นแหละไปไปเห็นภาพศพนั้นศพนี้แล้วนํามาสู่การเพ่งในจิตใช่เพ่งในน้องนะได้เห็นอันเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ใช่การพิจารณาน์อันอันนั้นแพ่แค่ไปการเพ่งให้เกิดความเห็นมีความเห็นแต่ไม่มีความรู้เข้าไปอธิบายให้กับจิตอืมใช่ใมันเลยขาดสติ อ๋อใช่เป็ีเรื่องอะรที่ให้จิตมันการกที่เจรนาผู้เจ้าใช้คาว่าพิจารณานะพี่นาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักเพื่อเกิดความรู้ให้ให้มีคามําอธิบายในสิ่งที่ตัวเองได้ไปเห็นนันว่าสิ่งที่เห็นนี่แหละนี่นี่คืออสุภะนี่คือความสงบ ข, ของกายแบบจุลปั้นโขกอย่างที่ว่าก็าเห็นความสงกจนพระเจ้าอ่ามาม า, มาปรากฏตัวตานะ้าเพราะว่าถ้าปล่อยให้จุลปั้นโกเนี่ยพี่นากายอยู่อย่างนี้จิตจะลงสู่ชาติ พอลงสู่ชานแล้วก็ได้ชานสีเลยนั่นน่ะขณะที่พี่นาดีอยู่นั่นน่ะช้นสีรากฏดเลยนเราลองรับจิตถ้าปล่อยให้อยู่กับชานอย่างนั้นนะ่ะจิตจะไม่ก้าวหน้าโพก็เลยมาบอกว่าอยู่ระเบิดหกกายแม้จะเป็นขอสุสกปก็จริงอยู่แต่ก็ไม่เชื่อว่าเป็นของสกปกจริงๆหรอกเนี่ยเห็นไหมไว้จับเมื่อเอาเป็นที่แค่ทาำข่าวของการพี่นาเฉยแต่ละห้าตััโซสามโมหะในจิตต่างๆเป็นของสกปกเธอจงพี่นาเข้าไปในนั้น โยบัตถุเลยพิจารณาโดยมีชั้นสี่เป็นบาายกจิตขึ้นมาสู่การพิจารณาจิตที่ประกอบไปด้วยราคะโทสะโมหะประการใดๆก็ตามที่อาศัยจิตเกิดราคะโทสะโมหะเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ลีเป็นของสุกภพนะครับคุณเอไงอ๋อเขาไม่ได้ทะลุทับเพราะว่ามันสุกบพมันทําุทับไม่ใช่แตนี่เป็นิณฐานใช่ไหมใช่เพราะมันต้องก้าวไปอีกขั้นก้าไปอีกขั้นหนึง เมื่อเธอเห็นร่างกายว่าเป็นของสโครกเคอยึดถือร่างกายว่าเป็นตนไหมก็ไม่ยึดเธอแน่ล่ะเพราะมันของโสโปรกใครจะไปกล้าแตะเหมือนกับไม่กล้าเอื้อมมือไปหยิบก้อนอุจระเห็นไหมเมื่อเห็นจิตว่าเป็นของโสโปรกก็ไม่กล้าไปหยิบจิตมาเป็นของตัวเองไงไม่กล้าไปยึดถือด้วยอุปทานว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตมันก็สลัดออกอย่างเนี้ยมันก็ถูกทําลายท่านก็สิ้อสวะกิเลสโดยมีฐานชาานสีเป็นบาฐานลงปรากฏว่าได้ กินที่ริดปฏิญาณขึ้นมาียกร่างกายเป็นร้อยล่างด้วยด้วยชาสีนะตอนสมัยหนุ่มนี่ผมปึกอยู่เนี้ยแล้วผมก็พอดูว่าเนี้ยดูศพ้องอื่นเนาะพอมันขึ้นแล้วน้อมมาอีดอยน้อต้องเป็นอย่างนั้นแหนะลงพราะเพราะเพราะเพราดจิิงปั้นเยวน์พัลงมันเข้าชาไปเลยอ่ะโอ้หเวมักถ้าน้อมมาันสิจะนิ่งแค่แค่ไม่กี่นทีนะแลพอมันอึด คือรีบพินาสมจริงนะสมขึ้นเอาไม่ต้องไปพิจารณาจากภายนอกอแต่คิดออกมาจากภายในเล้วเคล็ดออกมาจากความคิดในภายในว่าเมื่อกายเกี่ยวว่าคิดให้จิตเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ให้ไปจิตเห็นศพอย่างนั้นศพอย่างนี้ความเปลื่อยอย่างนั้นความเปลือย น, นี้ไม่ใช่ให้เห็นตามความเป็นจริงของกายว่าเมื่อร่างกายตายความเป็นจริงที่มันจะต้องเป็นหลังจากตายแล้ว แน่ชัดเลยว่าทุกตัวทุกตนทุกผู้คนที่ตายไปแล้วจะต้องเป็นตามความเป็นจริงอย่างนี้พ <C ute> ก็แต่แต่บทรมหายใจร่างกายก็ขาดขา ด, ขาดไฟหล่อเลี้ยง <C ute> อย่างไรล่ะ <C ute> ก็แแข็งทื่อกันเนี่ที่อาตมาทำํำหกขั้นตอนมาไว้ที่เจริญนะ <C ute> สุดท้ายเป็นเห็นเป็นดินพอเห็นเป็นดินปุ๊บมันก็ไม่ได้กลัวอะไรเเมื่อจิตผ่านชั้นของการพิจารณากลับไปกลับมากมากเข้ามากเข้ามากเข้ามาเข้าจิตก็จะเริ่มค้อยตามความคิดเพราะพระเจ้าทรงตัดไว้ว่า จิตคิดเรื่องใดๆมากย่อมน้อมเอียงไปเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นเราจะให้จิตเราไปในทิศทางไหนขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคิดพระเจ้าจึงบอกว่าโลกนี้ถูกจิตนําไปโลกนี้ถูกจิตชักไปสัตว์ทั้งปวงตกอยู่ภายใต้อํานาจแห่งจิตเท่านั้นก็คือจิตเป็นตัวนํานําโดยการใช้ความคิดนํานําไปจิตเข้าไปจิตกับความคิดเป็นของคู่กัน ความคิดไปไหนจิตก็อยู่ที่นั่นด้วยกันเลยพร้อมกันเลยมันเป็นอนเดีวันอันเดียวกั น, กนมันเกิดจากมันเกิดด้วยกันเกิดจากตัวมันเองเพราะนั้นการพิจารณาเน่างอาสุภาษิตเราพิจารณาแล้วก็ทีแต่เราก็ต้องเข้าในเส้นทารของสายปยาัญญาใช่อันนั้นเป็นเพียงแค <c oughs> ่นึ่งนะเราเหมือนคที่ไปดูศพศพสามวันที <c oughs> ่ตายสามวันเจ็ดวันมันมันพอมันเฉลี่ยได้กี่วันอันนั้นเป็นเพ่งภายนอกอยู่ ในเพลงไทยนอกแต่ถ้าเราแค่พิจารณาอีกแลคืออีกมาแล้วเราเป็นแบบนี้ถ้าเราตายสามแน้วก็น่าจาไการพูดบอกอีหน่อยเป็นแบบนี้นะคือถ่าเป็นการเปรียบเทียบเป็นแค่เปรียบเทียบเปรียบเทียบมันจับเป็นโอปานายโกไหมมันเป็นโอปานายโกแต่ไม่ไม่ใช่ลักษณะที่เป็นจะสามารถยกขึ้นสู่วิปัสนาได้แต่ยังไม่ถึงขั้นวิปัสนาอัตมาจะสอนให้ลูกศิษย์พิจารณาที่เนี่ยหกขั้นตอนเนี่ยเพื่อให้เกิดอูปดีไซ ของการพิจารณาเป็ น, นบ า, า, า, า, านดฐานัเพื่อพิจารณาให้เป็นบาดฐานและจนเห็นชัดธาตุแท้ของกายจนชัดเมื่อพิี่ณาเห็นธาตุแท้ของกายชัดแล้วมันก็ตัดความสงสัยในเรื่องของกายออกไปบาเบอภาระในด้านของของการที่จะยึดถือกายจิตที่ไม่มีความยึดถือกายก็เหลือแต่จิตที่จะให้พี่นานามสีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เมื่อพี่นามสี่โดยมีกายเป็นพื้นฐานของการพิจารณามันก็จะสามารถทําความเข้าใจในหลักของขันทั้งห้าตามความเป็นจริงเพราะรูปประขันที่ถูกพิจารณาแล้วมันก็ไม่ต่างจากนามาขันทั้งสี่ที่ถูกพิจารณามันเป็นในเดียวกันคือตกอยู่ภายใต้การเกิดและกระดับมีแล้วก็หายไปมันก็เป็นอย่างนี้มันจะง่ายขึ้น มันข้อเสียของคนก็คือไม่เข้าใจหลักของการพิจรารณาไปอยู่กับการเพ่งเสียเป็นส่วนมากส่วนมากจะเพ่งเพ่งแล้วรู้นนะของอัตาบานี่ยนั่นนะจงนั่งท่องธาตสีไปเห็นกระดูกตัวเองครบปั๊บก็จิตอยู่กับเห็นกระดูกพอเห็นกระดูกปุ๊บสงบนิ่งวันไหนไม่เห็นกระดูกไม่อยู่ไม่เป็นสุขวันไหนนั่งสมาธิเลยเห็นกระดูกจะสบายจะสงบต้องได้เห็นกระดูกตัมาก็เลยบอกว่า เห็นกระดูกอย่างเงี้ยยังยังไม่ยังไม่ถูกต้องผิดนะสภ า, าอะไรต้องผิดธาตุธาตุธาตุาตแปลว่าเขาวู่เดิมเห็นกระดูกยังเป็นธาตุผสมอยู่แต่ถ้าเห็นดินน้ำไปลงมันมันเป็นธาตุแท้ของมันแล้วตัวสภาวะธาตุแท้อย่างดีมันเป็นย่างไนมันแข็งแล้วเราจะดูเห็นนี้มันแข็ง สภาพใดก็ตามแคบแข็งอันนั้นเป็นดินแล้วก็ ต, ต้องเห็นจากการที่ร่างกายเราแตกสลายแล้วหรือเปลื่อยเน่าไปแล้วสลายลงไปสู่มันมไปเป็นอะไรเมื่อมันสลายแล้วคือ <c oughs> ให้เราเข้าใจในขณะที่เราพิจารณานั้นว่าเมื่อร่างกายเส้นผมขนเล็บเปลื่อยย่อยสลายแล้วสุดท้ายมันคืออะไรมันจะไปเป็นอะไรเราต้องตัดสินเอาเองกิจเราต้องรู้เองต้องเข้าใจภายในตัวเองโดยการรู้เองเห็นเองและพิจารณาเองเข้าใจชัดว่า อ่าสื่งแช่นผมคนเล็บฟังขอ <lawsuit> นือเองกระดูกเนี่ยมันเป after, ็นดินจริงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ต้องตอบให้กับตัวเองมันต้องตอบให้กับจิตให้ได้ถ้าตอบให้กับจิตให้ได้จิตมันก็จะยอมรับไม่ได้อยู่วันยางค่ำเมื่อเราตอบให้กับจิตได้โดยการพ่นาย่ำแล้วย่ำอีกทุกครั้งที่พิจารณาจิตจะรู้กับการพินาของเราและทุกครั้งที่เราพินาให้เห็นเป็นดินปักก็เราก็บอกร่างกายคือดินดินกับร่างกายคือเป็นอันเดียวกันร่างกายกับดินเป็นอันเดียวกันดินกับร่างกายเป็นอันเดียวกัน ย้ำไปย้ำมาทุกวันทุกวันจิตมันจะโน้อมเอียงแล้วก็ยอมรับจิตมันจะจนต่ อ, อความจริงเพราะเป็นแน่นอนทุกคนที่ถูกเผาแล้วหรือคีดเท่าคิดเท่าได้คืออะไรคีดเท่าเป็นอะไรอ่ะมันเป็ น, ปนอะไรเลยคีดเท่าประตูทีนี้มันก็ตอบให้กับจิตได้คือเราต้องตอบให้กับจิตให้ได้มันไม่ได้ไหมายความว่าใช่ปั้นสําคัญก็คือการที่น้าทั้งหมดเพื่อไปเป็นคําตอบให้กับจิตเพราะถ้าจิตมันไม่ได้รับคําตอบเราจะไปเห็นอะไรก็ตาม ไปรู้อะไรก็ตามถ้ามันไม่ได้รับคําตอบจากความรู้ตามความเป็นจริงมันจะไม่อยอมเราไม่จำได้ถ้ามันสงสัยอยู่ตลอดใช่เพราะเรารู้ก็คือเรารู้แต่จิตมันไม่ได้รู้กับเรา <S <S เราเห็น <S 2> <S 2> ก็คือเราเห็นแต่จิตไม่ได้เห็นกับเราเพราะนั <S <S ้นทุกอย่างเราต้องไปอธิบายให้กับจิตให้ทราบแล้วก็ให้เป็นคําตอบของจิตที่จิตมันสามารถทราบชัดพอทราบปุ๊บมันจะสะดุ้งอยู่ภายในเลยนะเอ้าดินกับเราเราเป็นดินดินเป็นเราแล้วมันจะเห็นความว่าเอามันบ้างจากความเป็นตัวเราไปแล้วเนี่ย เพราะมันเห็นความจริงมันจะเกิดความสะดุ้งในภายในแล้วมันจะเกิดการสลดสังเวชสั่นซึ้งภายในเมื่อจะโอ้อ๋อแบบนี้เหมือนกับคุยกับแม่เลี้ยงเมื่อวานี้พระอาจารย์จะให้โยมพิจารณาอะไรพินาตายอพิจายังไงตายเดินก็ตายยืนก็ตายนั่งก็ตายนอนก็ตายทําอะไรอยู่ก็ตายพินาลงสู่ความตายทุกอย่างลงสู่ความตายพูดจนแกก็ทํา จนไม่ว่าจะเป็นซักผ้ากับข้าวกวาดเดินอยู่จิตก็ไปเห็นเรื่องความตายความตายความตายเป็นสัจจ์พี่นาทั้งพี่นาโกลขั้นตอนนี้ด้วยแล้วก็พี่นาความตายด้วยมันสะอึกสะอื้นขึ้นมาทีบ่ายมันสะอึกสะอื้นน้าตาจะไหลโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้กับพี่นาเนี่นั่นแหละพี่นาแล้วพี่นาอีกะจาแล้วย่อมอีกนะอาจารย์จิตมันได้รู้ยอหรือว่ามันรู้ความจริงแล้วมันร้องไห้ไหมสองวันไงก็ให้มันร้องไห้ไป มันจะหมายความว่าอย่างไงอย่าไปถามมันหน้าที่ของเราคือให้ความรู้กับจิตให้มากจะยอมไปดันมีมีการที่คือจิตจิตมันอ่ะมันคุ้นเคยอยู่กับการยึดมั่นถือมั่นคุ้นเคยอยู่อรูปเสียงกินรสสิ่งที่มาสัมผัสแล้วก็ยึดอยู่กับอารมณ์พอมันไปเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นความรู้ใหม่มันก็เริ่มมาสะเทือนมาใช่มันก็ระเสือกตัวมันน้ําตามันจึงจะต้องออกมาตามภาวะแห่งการกระเทือนอย่างเงี้ยมันมันไม่เคยรู้ความรู้อย่างนี้ มันไม่เคยทําเข้าถึงความรู้อย่างนี้ <c oughs> พอมันเริ่มรู้มากไปเรื่อยๆแล้วเราก็ให้ความรู้กับมันมากเข้ามากเขามาเดีย๋ยวมันจะเริ่มฉลาดเริ่มมันจะปฏิวัติตัวเข้ามันเองเราไม่ต้องไปทําอะไรเลย <c oughs> การปฏิบัติทั้งหมดหากไม่สามารถพิจารณาให้จิตยอมรับในตัวธรรมนั้นได้การพิจารณาทั้งหมดเลยถ้าจิตไม่ยอมรับไม่มีผลเลย <c oughs> ไม่ได้ผลอะไรเลย <c oughs> ถ้าจิตมันยอมรับแล้วปับ๊บเดี๋ยมันยอมรับบดเลยเราฝืนมันก็ไม่ได้อ ก็มันพี่นํามันรู้แล้วจิตมันรู้แล้วจะไปฝืนมันอีกก็ไม่ได้เพราะมันรู้แล้วความรู้ติดเป็นคุณสมบัติในจิตแล้วเราบอกเผอมันไม่เผอเราบอกให้มันคิดไปเรื่องนั้นมันก็ไปคิดก็มันรู้แล้วมันจะไปคิดจะไปคิดโกรธเพราะนั้นจะไปคิดเกลียดกพรานี้จะไปคิดฟุ้งซ่านหาเพระนั้นจะเพ่งทั้งมันไม่ทําเพราะมันรู้อยู่แล้วคนถูกยีนาจนรู้แล้วจิตมันยอมรับแล้วการเพ่งออกเป็นอสวมภาริย การเทงโทษทําก่อให้เกิดทุกข์มันก็รู้อยู่มันมันชัดเจนอยู่ในตัวของมันมันก็จะมันก็จะดับอารมณ์ไปกระทบกับจิตก็จะดับตัวของมันมันก็พอมันรู้ตัวมันก็จะดับอารมณ์พอมันรู้ตัวก็ดับพอมันไม่เป็นไปตามอารมณ์เราะฉะนั้นจิตถ้ามันไม่เกิดยอมรับคือไม่เกิดภาวนรู้ขึ้นมาแล้วเราให้คําตอบกับมันไปได้หรือเรามีความสงสัยเองและขัดแย้งกับจิตเองอันเนี้ยหนักเลยนะเนียมันเพราะนี่ไงก็ไปไม่ได้จะภาวนาปฏิบัติรู้ยังไงก็ไปไม่ได้ไล่ตัวนี้เป็นตัวมันจะมีสองประเภทนะ ความรู้กับความเห็นนะคนที่มีความรู้รู้ทุกอย่างแต่ไม่เห็นตามที่รู้อันนี้ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เกิดการยอมรับจิตไม่เกิดการยอมรับอันที่สองคนไปเห็นไปเห็นอสุภะไปเห็นความน่าเกลียดโกประปโ ป, ะปกโสขปฏิกูลแต่ความรู้ไม่อาจไปอธิบายได้กับจิตมันก็ไม่เกิดประโยชน์แค่แค่ได้เห็นรู้ทุกอย่างแต่ไม่รู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้คำวา่าทั้งรู้ทั้งเห็นจึงจะเป็นการรู้เห็นตามความเป็นจิง เรื่องยากับศาสนะยาคือรู้ตามเป็นจริงศาสนะคือเห็นตามความเป็นจริงรู้ตามควนจ่เห็นตามความจริงมันต้องประกอบกันรู้อย่างเดียวไม่ได้เห็นอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีความรู้ประกอบเพราะนั้นศาสนาพูดเป็นศาสนาที่มีประกอบไปด้วยปัญญาจริงๆคือทั้งรู้ทั้งเห็นคือปัญญาเราเคยนั่งนั่งรออาจารย์อาจารย์หนึ่ง ท่านเป็นอาจารย์รับอาจารย์แทนนะท่านน่าจะทำสมาธิมนเน่งไปเองลงไปแล้วไปเห็นอาจารย์มันหายไปไงเห็นน้ำแม่น้ำน้ําเต็มป่าเต็มเตียงแล้วก็นไม้เขียวเฉวี่ต้นใหญ่มากทั้งสองฝั่งแล้วพอเราจ้องไปนน้ํามันล ด, ล, ดลงลดลงลดลงจนแห้งขอดพื้นพื้นน้ำแล้วต้นไม้ที่มันเขียวเฉวี่ยมันก็แห้งแห้งห้งแล้วมันก็ตาย ระยมก็พูดบอกว่าอาจารย์มาแล้วระยงเราออกกันมันนั่ร้องไห่ร้องร้องให้ร้องไ ห, ห่เป็นบ้าเป็นเวรแล้วในตรงในในวามสึกที่ร้องไห่มันจะมีตัวหรืที่เจ่อมอกถ้ากรถามว่ามึงร้องไห้ทำไมอ่ะร้องไห้ทํำไมมันเสียใจแล้วก็ถามมึงรู้เสมันก็ไม่ได้เสียใจแล้วไม่ได้ดีใจแต่มันร้องไห้อะไรแตมันหมายความว่าอย่างไรตรงที่จะงุ่ตรงกระถามมันเห็นวชแบบ่ป่าสมาธิใจ<า>ในสมาธินี่มันจะมีนิมิตุงแต่งกิตสมาธิ สมาธิในชั้นที่มีนิมิตปรุงแต่งจิตระดับไหนท่านยมไม่ได้นึกถึงขนาดมันจมันจะไม่ถามระดับมันจิตจริงๆแล้วมันจะมันจะเป็นสมาธิถ้าจะพูดถึงก็คือระดับที่มันยังไม่พ้นจากนิมิตมันยังอยู่ภายใต้การถูกปรุงแต่งโดยนิมิตอยู่จิตที่มันถูกปรุงแต่งด้วยนิมิตแล้วจิตมันไปรับทราบในนิมิตเหล่านั้นเมื่อไปรับทราบแล้วพอมันปรากฏเป็นเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จิต ทำอะไรก็ออกมาก็ตามนิมิตเหล่านั้นจะปรุงแต่งจิตคือจิตเนี่ยถ้าไปเป็นสมาธินิมิตแล้วเขาเรียกว่ามันเป็นธาตุไสยสิทธิ์มันจิตจะทํายังไงจะเพ่งยังไงจะกระทำยังไงก็ตามมันจะเกิดเป็นอสสัจย์หรือเป็นเป็นตอนตามความปรารถนาของจิตแต่เป็นเพียงเพียงแค่ในภาวะนิมิตเท่านั้นนิมิตที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นสมาธินั้นเป็นนิมิตเพื่อสร้างภบของจิตไว้มันเป็นองค์ประกอบของจิตองค์ประกอบของภบในจิตให้จิต ติดอยู่ในภพนั้นภพของสมาธินิมิตนั้นทีนี้พอถอนออกมาปั๊บเนี่ยจิตที่มันไปติดอยู่กับนิมิตนั้นอ่ะมันเกิดรับรู้ในนิมิตพอกลับมาสู่ภาวะจิตปกติมันเลยไปกระเทือนกระเทือนภาวะจิตปกติอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราสมาธินิมิตเป็นอีกภาวะหนึ่งสมาธิจิตที่เป็นปกตินี้ก็เลยไปไปถามถึงไอจิตที่มัน ไปเป็นสมาธินิมิตนะไปไปถามเลยถามว่าเป็นร้องไห้ทํำไมเป็นอะไรแต่ตัวนั้นเราไม่รู้กันว่าอจิตมันไม่เข้าเป็นสมาธินั่นเป็นอีกภาวาจิตนย่งไม่ใช่จิตคนละดวงนะคือจิตดวงนั้นดับกลับมาสู่ภาวะจิตปกติจิตปกติก็เลยตั้งคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี่อย่างเงี้ยแล้วเสียใจเหรออ่าก็ไม่ได้เสียใจเพราะมีภาวะความเศร้าโศกเสียใจอยู่ในนั้น แต่มันก็คงมีนะไม่งั้นก็ไม่ร้องไห้เป็นมากเป็นเล็กก็ร้องไห้เหมือนคราก่อนที่ทีถามยังว่าเหมือนว่าจิตดูจิตนะเนาะเหมือนดูอยู่แล้วเหมือนมีมีอีกดวงหนึ่งอาจารย์แก้แก้ไปแล้วว่าเออไอขนาดจิตตรงเนี้ยมันดับไปแล้วก็ได้แล้วก็กกก็็็จะไขตัวนี้ออกมาให้เข้าใจไงว่าเขาว่าจิตดูจิตจะเอาจิตตัวไหนไปดูจิตแสดงว่าถ้าไม่จิตดูจิตแสดงว่าต้องมีจิตสองดวงดูกันอยู่ ใช่สภาว่ควางจิตมันรวดเร็วไงเราจึงไม่แยกไม่ออกว่ามันมันเป็นจิตสภาพใหม่ใช่ดวงเก่าดวงใหม่เราเลยว่ามันต้องมีสองรวมแน่เพราะมันดูกันอยู่ที่แท้แล้วไม่ใช่มันต้องเก่ามันต้องดับไปก่อนแต่แล้วไอสิ่งที่ถูกดูเป็นดวงเก่าไอสิ่งที่ดูอยู่เป็นดวงใหม่เป็นดวงใหม่ใช่ไอสิ่งถูกดูเป็นดวงเก่าใช่แน่นอนมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะมันถูกรู้อยู่ เป็นจิตว่าเป่าแล้วที่บางคนบางคนชอบพูดเรื่องเสียงกระซิบจากภายในเนี่ยมันก็มันไม่ใช่คนคนเป็นอย่างนี้เขาบอกว่ามันก็ไม่รู้มันการธรรมะไม่เคยเจอไม่ใช่อธิบายเรื่องที่มันจิตในขนาดแล้วมันดับแล้วก็มันนั่นแหละมันทีมันเหมือนส่อกันเองนะ มผมก็ไม่เคยเกิดแต่เขาเกิดเรียมาถามผมบ่อยมากเรื่องเนี้ยก็คือถ้ามันดับเป็นขนาดขนาดไปเนาะแล้วก็เหมือนก็มีมีคนคอยเตือนเราใครบอกเราเนี่ยเอออ๋อเขาเปรียบเทียบว่าหเหมือนมีเหมือนมีเหมือนมีครับเราต้องเข้าใจหนึ่งระบบจิตสองอัตราของจิต อ, อัตราอัตราของจิตนี่คือจิตที่ถูกสร้างขึ้นมาจากอัตราดุจพิธีที่เป็นตัวอัตราอยู่ในภายในที่เป็น เป็นตัวกรอบเรียกว่าไปไปรับผลจากการกระทําทั้งหมดไปสู่ภพสุชาติตัว อ, อัตตาของจิตกับระบบจิตระบบจิตคือระบบภาวะปกติที่เกิดการรับรู้เนี่ยตามมันจะบุกทิ้นกายใจทีนี้เมื่ อ, เ ม, อเมื่อระบบของจิตคือสภาพแห่งการรับรู้ตามปกติคือภาวะตามมันจบุกิ้นกายใจมันก็ส่งความรู้ทุกอย่างเข้าไปในภายใ น, นไอ้ในภายใ น, นคือเป็นอัตตาของจิตเพราะมันยังไม่ถูกทําลายด้วย อรหัตมามันยังเป็นอัตตาอยู่อัตตาพวกเนี้เป็นอัตตาที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่มันก่อเป็นตัวตนในภายในโดยจิตโดยตัวเจ้าของเองเข้าใจว่ามันมีอะไรสักอย่างเป็นตัวของเราอยู่มาหลายภพหลายชาติอะไรสักอย่างที่เป็นตัวของเราน่ยมันถูกเกาะตัวขึ้นจากภพชาตินานเขานั้นเท่านั้นเท่านั้นาน่อเลยเป็นอาสวะหักดองฉะนั้นไอ้ตัวนี้อรัตมาจริงบอกว่าเป็นอัตตาของจิตจึงเป็นพวกอาสวะข้างหลังพวกอวิชชาตัณหาอุปทานทั้งหมดมันเป็น สภาวะที่วิ่งรอบวนอยู่และก่อตัวในจิตพออารมณ์ใดก็ตามผ่านมาตัวนี้พรพร้อมที่จะพุงแต่งให้เป็นตัวตนของมันที่จะสะสมเป็นภพที่ถูกสร้างมาแล้วอาจารย์ที่ใช่ใช่อาจอเห็นละเป็นมันมันเป็นระบบของการสร้างภพสร้างชาติแต่มันยังไม่ได้สู่ภพมันก็จะปฏิสนธิปัญญานั่นเองประสือตัวของมันไหมสภาวะนี้มันมันก็เป็นคือสมมติจะตัวรู้ตัวหนึ่ง สภาพทุกับข่าวว่ามันไม่รู้ของมันหรื <c oughs> ตัวอัตราของจิตนี่แหละที่เราไม่เข้าใจว่ามั น, ม, น, ม, นมันจะก่อปัญหาให้เราแต่ผู้เจ้าสงทราบไงสงทรารมันมาจากมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นหรือความเห็นผิดที่เราเข้าใจว่ามันมีอะไรสักอย่างเป็นตัวเราเพวกจึงตัดไว้เป็นทางสายกลางเลยว่าตัวตนแท้แท้ทของสิ่ที่อะไรทั้งปวงไม่ได้มีอยู่หรอกเพื่อทําลายความเห็นผิดที่เราเข้าใจมาโดยตลอดว่าต้องมีอะไรสักอย่างเป็นตัวเราไม่ภาวนในกายก็ภาวนในจิตไอพวกนี้มันหมักดองในจิตมันหมักดอง ความรู้สึกของเรามายาวนานก็เรียขันทัศสันดามนมันเป็นขันทัศสันดานเกิดใหม่ความรู้สึกนี้ก็ยังมีอยู่ว่ามีอะไรสักอย่างเป็นตัวเราอื <c oughs> เ, าเมื่อทํำลายอาตารุที่ถีในจิตได้หมดแล้วตัวตนของจิตจะดับไม่มีไม่เหลือด้วยอรหาตาัตมาคจิตเหลือแต่ระบบของจิตเพราะฉนั้นท่านละหานทั้งหลายท่านจึงไม่มีจิตที่เป็นอาตามีแต่จิตที่เป็นระบบของจิตโดยปกติของมันแทแล้วก็ไม่สะสมเป็นอาตาัต้าเพราะท่านมีความเห็นที่เป็นตัวทําลายในอาตารุ้ที่ถิแล้ว อาจารยก็จำเป็นต้องไล่ไม่ได้นิสสุก็เคยบอกให้ไล่ความเป็นอัตตาของคนเนี่ยด้วยอัตตามีอะไรนะเราคือตัวตนตัวตนอยในเราเห็นรูปด้วยความเป็นตนเป็นตนมีในรูปไล่ไปไล่มาของโยมอยู่ตรงหูนั่งอยู่ข้างบนอยู่ข้างนอกมันจ้อมาจากข้างบนมาว่าตรงนี้เป็นของเราอยเงี้ยมันตัวเราตัวตนอยู่ข้างบนคือผู้พิจารณาผู้หนึ่งสิ่งที่ถูกพิจารณาอีกสิ่งหนึ่ง ตัวเราทั้งหมดเป็นสิ่งที่ถูพี่าจรนาผู้พี่นะคือคือตัวสติตัวปัญญาเป็นผู้พี่าจรนาอยู่แต่วผู้ที่พิจารณานั้นไม่ใช่ตัวตนด้วยมันเป็นเพียงแค่ธรรมายตนะอยธรรมะใช่เป็นธรรมอารมณ์เป็นอายตนะหนึ่งอาจารย์พูดพูดถึงเรื่อง้ยอยากคนที่เข้ามาสอนสอนให้อากของศีกกรรมให้อะไรนะให้ก่อขบากรรมาุลก ขอขมากรรมอันนี้มันแก้มันมันช่วยได้มากไหมเขาบอกต้องขอขมาตรงนี้ก่อนแล้วการภาวนาจิตใจจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเคยสอนไห้เพราะท่ า, ทานยงเวสเจ้ามาได้สอนนะเราอ่านเรื่องถิ่นนี้แล้วไม่รู้แต่ท่านสอ น, นต้องจิดต้องขอขมากรรยาวเป็นสิบนาทีอ่ะขอขมากรรโอโหสิกรรมโต้ก็พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนก็ก็ไม่ต้องทําเ<ม>พราะถ้าไปทําก็เป็นทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สอนแล้วจะเกิด อะไรตามมาเราเป็นสาวกใครอะถ้าเรารับคําของเขามาเราก็เป็นสาวกของเขาได้เราเป็นสาวกของผู้ได้จักแล้วทีนี้ความแบบวิธี ต, ต่างๆแม้จะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามถ้าไม่ใช่อยู่ในหลักคําสอนของผู้เจ้าเราอย่าเพิ่งรับเด็ดขาดเพราะล่ไปเราจะจดเราจะงงแต่ถ้าอยู่ในหลักคําสอนของผู้ไดเจ้าเรามีคําตอบให้หมดว่าผู้ได้เจ้าทรงสอนหรือไม่ทรงสอนามมาทำมาทํามาทำมาก็ยังไม่เคยเจอว่าผู้ได้เจ้าทรงสอนให้ทําอย่างนั้นก็ยังไม่เคยเจอ แล้วก็พระสงสาวว่าของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในครั้งพุทธการทั้งฝ่ายคารวะาและฝ่ายบรรพชิต<ม>ก็ยังไม่มีปรากฏเป็นตัวอย่างให้เห็นในเท่าที่ได้ศึกษามามในอนุพุทธประวัติแม่โย ม, ย ม, ยมสงสัยเป็นว่าเออศรีกาขอคําขอเข้ามาแล้วเราทาําอนุลุกิ่พวกรีชาทําอะไรเนี่ยแต่ตัวจิตใต้สันนิษฐนจริงไ ง, ง, งตรงนั้นทั้งไอ้คนที่จะเป็นเป็นคู่ที่ที่เราไปทําเขาเนี่ยเ้าพร้อมที่จะเอาของศรีกาไม่แล้็กอะไรพูดนี่ พอที่จะเอาหัวสร่คจริงอย่างที่เราพูดไหมแล้วมันจะได้ผลหรือเปลามัน 0, น่าสงสัยแล้วมันจะได้ผลหรือ <m ul ain> มันเป็นเพียงแค่อุบายหนึ่งที่พยายามสอนให้เราเข้าไปแก้ไขปมในจิตในบางปมที่เกี่ยวโยงมาจาก <m ul ain> การก่อเวรแต่ปังก่อเช่นตอนเป็นเด็กเราเคยโมโหให้พ่อแม่ <m ul ain> โมโห <m ul ain> ให้พี่ทําเรื่องนั้นกับคนนั้นทําเรื่องนี้กับคนนี้ไว้ แล้วเราก็ความโง่ๆเหล่านั้นมันตกค้างเวียนในจิตพอเราเติบโตมาเวลานั่งสามาธิรถไฟไปเห็นภาพเหล่านั้นอพอเห็นภาพนั้นแล้เราก็พยายามกดมันไว้ไม่ให้เกิดการรับรู้ในจิตคือไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นวิธีการแล้วก็คือเข้าไปคลายพมโดยการย้อนกลับไปตอนส ม, มัยเป็นเด็กใช่ไหมล่ะเราเคยทําอะไรไม่ดีกับใครไว้ไปองค์โศกกรรมกับคนนั้นไว้คล้ายๆกับว่าไปพูดกับจิแตแท้จริงตัวตัวคนก็คือตัวคนไม่เกี่ยวแหละคือไปพูดกับจิตให้คลายพรมออกจากสิ่งตัวเองจะทำไว้ ไปไปสร้างภาวะจิตที่มันเป็นเมตตาเป็นความองสัเป็นความปรารถนาดีหรือว่าไปขอขามาขอขามาพ่อแม่ตั้งแต่ส ม, มัยเป็นเด็กแค่ไปไปข่ปุ๊บันนีนะ้มันไมไปตามแก้อดีตผู้เจ้าบอกว่าอาดีตมันตามแก้ไม่ได้สิ่งใดก็ตามรับไปแล้วรวบไปแล้วหมดไปแล้วก็ให้มันหมดไปร่วงไปรับไปดับไปชาติปัจจุบันนี่แก้ได้แค่ถ้าระยะใกล้ ก็จะขอก็ขอขมาถ้าถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่ก็ขอขมาตอนมีชีวิตนั่นเลยไม่ใช่ไม่ย้อนกลับไปเนี่นั่งนึกผิดมันเป็นเรื่องเฉพาะตนอันนี้พระเจ้าใช้วิปัสสนาผู้บ่งใช้วิปัสสนาญาณจะไปล้างพวกนี้เองอัตโนมัติใช่เพราะคนที่ไม่เห็นการเกิดและการดับตามความเป็นจริงจึงเข้าไปทําอย่างนั้นพอไปสําคัญผิดว่ามีตัวตนเป็นผู้กระทําอยู่ เมื่อไปสัมพันธ์ผิดว่ามีตัวตนเป็นผู้กระทําสิ่งที่กระทําจริงคงอยู่ด้วยความเห็นผิดที่ว่ามีตัวตนคนแรกคนอีกใช่คุณแรกคนอีกมันไม่เลิกใช่มันยิ่งฟังแต่ถ้าเรารู้ชัดเจนว่าไม่มีตัวตนเป็นผู้กระทำทั้งหมดสิ่งใดกระทำร่วบไปแล้วลากไปแล้วดับไปแล้วมันไม่มีตัวตนของผู้กระทําที่อาตมาอธิบายเรื่องคำว่ากรรมเมื่อเราเข้าใจคำว่ากรรมที่แท้จริงแล้วเราควรจะปฏิบัติต่อกรรมนั้นอย่างไรกรรมคือการกระทํา การการะทำจะต้องไม่ใช่สิ่งที่ล่วงไปแล้วเพราะสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ใช่การการะทำไม่ใช่กรรมคำว่าการะทําคือสิ่งที่กําลังกระทําขณะนี้กําลังเป็นอยู่ขณะนี้นแล้วอนาคตก็ไม่ใช่กรรมเข่า <อ oire. S 2> ใจไหมเพราะมันยังไม่กระ ท, ทําเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ว่ากรรมคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น <aczego> และปรากฏในขณะ น, นี้หมายถึงว่าขณะเนี่ยที่เราเนี่ยเป็นอยู่คือกรรมและเป็นกรรมใหม่ด้วยกรรมที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็ดับไปแล้วเป็นกรรมเก่าก็ดับไปแล้วหมดไปแล้วล่วงไปแล้ว สิ่งที่ดับไปร่วงไปหมดไปมันก็นคือร่วงไปโดยโดยโดยเขาเรียกว่าดับโดยไม่เหลือมันไม่ได้เหลืออะไรเลยแต่มันจะคนที่ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงก็ยึดถือในสิ่งที่เองกระทาลงไปแล้วเลยเหลือตัวตนเป็นผู้กระทําว่าไปไปยึดถือเป็นตัวเองเป็นผู้กระทําในสิ่งที่ผ่านมาเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตเราได้กระทำสิ่งนั้นลงไปได้กระทำสิ่ ง, ง, งนี้ลงไปตรงเนี้แหละเนี่ยผู้เจ้าต้องการ คลายประเด็นตรงเนี้ยออกจากความรู้สึกของคนที่ยึดถือภายในกายกับอิทของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำํำลายเอวิชาความไม่รู้อาจารย์ถ้าคิดอย่างอย่างอย่างนี้คนที่คิดเป็นแบบแบบวิชามันมีโอกาสที่จะผิดถ้าเขาทําไื่องนั้นก็ไปคิดเรื่องอื่นคนที่ไปฆ่าคนไปไปโกนไปถูกต้องอขนาดเขาทําได้แต่เขาจเจริญมากในปัจจุบันหรือเปล่า ถ้าเขาไม่เจริญมากในปัจจุบันเขาถ้าเขาไม่เจริญมากในปัจจุบันเขาก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นแม้ไม่ไม่ยินดีก็ตาม ม, ามันมันจะต้องเจริญมากเพื่อทําลายตัวตนในขณะที่เป็นอยู่ตัวตนนี้ต้องทําลายมันนะแต่ทําลายด้วยอริยมรรคนะไม่ใช่มันรู้อย่างนี้แล้ ว, <eden> ลวมันก็เรียกว่าววมันก็ไปไม่ต้องไปได้รับผลอะไรไม่ใช่นะมันต้องไปทําลายคือทําจิตให้เห็นพระนิพพาน จิตที่เห็นพระนิพพานถึงสามารถทําลายตัวตนได้อย่างสิ้นเชิงการที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยเพื่อทําให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องไว้ก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อความเห็นถูกต้องไว้แล้วปับความเห็นเนี่ยเป็นภาวิตังคือสิ่งที่ต้องเจริญขึ้นภาวนาขึ้นทําให้มากขึ้นทําให้มีขึ้นอยู่บ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจิตไปสัมผัสพระนิพพานเมื่อจิตไปสัมผัสพระนิพพานคือการรู้เห็นอย่างนียอย้อยู่บ่อยๆร่วมไปแล้วลับไปแล้วดับไปแล้วหมดไปแล้วสิ้นไปแล้ว ความเป็นผู้กระทำในสิ่งนั้นนั้นหมดไปไม่มีแล้วดับไปร่วงไปเหมือนกันไม่เหลือดับไปโดยที่ไม่เหลือตัวตนของผู้กระทำเพราะตัวตนผู้กระทำกำลังกระทาเพราะถ้ามีขนาดแห่งการกระทาในความเป็นตัวตนในสิ่งที่ร่วงไปแล้วแล้วสิ่งที่กระทำในขนาดนี้คือใครเพราะถ้ามีตัวตนในอดีตจริงถ้ามีตัวตนในอดีตปัจจุบันนี้ต้องมีผู้กระทา ถ้ามีผู้ได้ทําในขณะ น, นี้อดีตก็ ค, คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนของผู้กระทําแล้วมันก็หมดไปและขณะที่กระทำนี้ก็กระทำเพื่อนดับดับดับดับดับอยู่ตลอดเวลาหากจะมีตัวตนในปัจจุบันตัวตนในปัจจุบันก็นดับทุกๆขณะจึงไม่สามารถยึดถือเอาขณะแห่งตัวตนชนิดไหนไม่ว่าจะเป็นขณะแห่งการคิดขณะแห่งการพูดหรือขณะแห่งการกระทําขณะพูดไปปุ๊บถ้าจะเอาคําพูดเป็นตัวตนมันอยู่ไหนล่ะมันดับไปแล้วเนี่ย พูดใหม่ก็เป็นตัวตนใหม่พอพูดออกไปแล้วก็ดับไปหมดแล้วขณะที่คิดเอาความคิดขณะไหนเป็นตัวตนคิดรวมคิดหมดไปแล้วก็ดับไปแล้วแล้วตัวตนมันอยู่ที่ไหนมันมีแต่ความคิดใหม่เกิดขึ้นความคิดเก่าดับไปความคิดใหม่เกิดขึ้นของเก่าดับไปของใหม่เกิดขึ้นของเก่าดับไปของใหม่เกิดขึ้นแค่นี้เองมันมีตัวตนมันเป็นเพียงแค่สภาวะแห่งเหตุปัจจัยที่ก่อตัวแล้วก็ถักดันกันให้เกิดแล้วก็สลายไป ทั้งภาวะแห่งกายและจิตแต่ความเห็นผิดของเราเข้าไปยึดในสิ่งที่มันเป็นของมันอย่างนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราด้มันเลยไปสร้างตัวอัตตาในจิตไงเลยมีตัวตนอยู่ภายใ น, ในเลยมีผู้รับผลแห่งการกระทําทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคตถ้าเราถ้าเขาเห็นความดับอยู่ตรงนั้นขณะนั้นเวลานั้นล่วงไปละไปหมดไปสิ้นไปทุกๆขณะแห่งจิตที่รู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่ มันก็เข้าไปทําลายแล้วเมื่อจิตเห็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้มากเข้ามันก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความแป่ป่วยเห็นความแต่สลายมันอยู่ในนั้นแหละไม่ต้องไปพิจารณอนิจจังทุกขังอนัตตก็ได้เพราะในขณะที่รู้มันก็เห็นอยู่แต่ก็ให้เข้าใจว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตก็อยู่ในขณะที่เราเห็นความเสือ่อมความสิ้นความหมดไปความร่วงไปความดับไปโดยไม่เหลือแม้ตัวตนของผู้กระทําทั้งหมดก็ไม่เหลือมันหมดไปโดยไม่เหลือจริงๆไม่มีอะไรเหลือ ไม่มีอะไรเหลืออยู่สักอย่างความรู้สึกของเราต่าหากที่เข้าใจว่ามันมีอะไรเหลืออยู่มีตัวตนเป็นผู้กระทําเหลืออยู่มันเลยต้องคอยเป็นผู้รับผลเนี่ยเพราะขณาดปัจจุบันไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วก็การคาสอนชัดๆที่พงษ์ทรงตัดก็คือตัวตนแท้ๆของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีพราะมันดับเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับมันจะเอาตัวตนแท้ๆมีมามีอยู่ได้ยังไงไฟนี้มันจะมีอยู่ตามเท่าที่ เหตุปัจจัยที่ก่อตัวให้มันมีไฟนี่ยังมีอยู่แต่เมื่อตัวนี้หมดเราจะเอาตัวตวนของมันมาจากไหนถ้าเราไม่มาทํามันต่อและขณะมีอยู่นั้นไม่ได้มีมีอยู่แบบตลอดกาลนั่นแะมีอยู่แล้วโดยความดับไปหมดไปสิ้นไปอยู่ตลอดมันถึงถึงความหมดความสิ้นมันเป็นแค่ประกอบมันขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่มีตัวตวนของมันฉะนั้นแล้วการรู้การเห็นอย่างเงี้ยหากคนที่ไปทํา ทำสิ่งที่มันไม่ดีไว้แม้เขามีความรู้เห็นอย่างนี้แต่เขาไม่เจริญขึ้นเพื่อให้จิตไปรู้อริยมรรคอริยผลเป็นไปเพื่อรู้นิพพานเขาก็ต้องตกอยู่ภายใต้ผู้รับผลแห่งการกระทำเพราะอะไรแม้เขารู้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยที่เขายังไม่สามารถทำลายเชื้อแห่งครบซึ่งเป็นอาัตราในจิตได้ เหตุปัจจัยแห่งการก่อเกิดย่อมมีเมื่อเหตุปัจจัยแห่งการก่อเกิดย่อมมีผลแห่งวิบากย่อมมีก็ไปให้ผลกับผู้อย่างนั้น่ะแม้เขาจะมีความเห็นว่ามันดับไปมันสิ้นไปมันร่วงไปก็ยังจะส่งผลอยู่พ่อเขายังไม่เคยทำพระทิพย์น้แจ้งหากเขาทําพระทิพย์นี้แจ้งแล้วเขาก็จะพ้นจากวิบากเพราะไม่มีตัวตนเป็นผู้ไปรับวเขาก็จะพ้นเอง เพราะฉะนั้นความเห็นที่พระวงทรงสอนเนี่ยแม้มีความเห็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าหยุดอยู่เพียงแค่นี้มันมีที่เราจะต้องทําให้มากจเจริญให้มากทําไมพวกมึงจึงบอกว่าทําให้มากไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวคนเดียวทําให้มากจเจริญให้มากทําแล้วทําอีกทําอยู่บ่อยๆเนืองๆยํำๆซ้ําๆจนล้างระบบแห่งอุปทานทับป่วนเพราะระบบของอุปทานมันยึดเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้น อนเอกอนเอกภพอเนกชาติไม่ต้องไปนับเที่ยวว่าต้องต้องรู้กี่ภพกี่เอ ก, กี่ข้งกี่หนกี่เที่ยวถึงจะพอคำว่าพอคือมันเห็นพระทีพานแล้วจึงจะบอกได้ว่าพอถ้ายังไม่เห็นนี่พระพานพอไม่มีต้องรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อี ก, นะกนะอยู่นะอาจารย์คนเราแ้า่านั้นเราอยู่จะสอนอยประทานไม่ได้ฮะถอนอุู่ประทาน ถอนอุปทา น, นเองอยู่แ่แะจะถอนา<ถ>ทาน<ถ>้านจิตะสุดถอนอุปทานที่อนมันก็ถอนไปทีลำตับอย่างนี้แหละคือถอนอุปทานตัวใหม่นถอนอุปทานตัวใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็เหลืออุปทานตัวเกา่า ก็คือตัวอัตราอะไรภายในเลยมันยังมีอยู่ที่เห็นว่ามีตนน่ะที่ยึดถือว่าเป็นตนถอนถออประธานใช่พอพิจารณาอีกปุ๊บมันก็จะเป็นถอนอุปทานที่มันสะสมเป็นหมัดรวงสันดานมันจะถอนเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นพิจารอีกก็ถอนอีกพี่ารณอีกก็ถอนอีกพี่ารณอีกก็ถอนอีกพี่ารอีกก็ถอนอีกหากเรารู้ว่าในขณะที่พิจารณามันเป็นการถอนอุปทานทุกๆขนาดแล้วโวมันยิ่งไม่อยากจะอยู่พิจารณาเลยนะมันยิ่งจะถอนออกถอนออกถอนออกถอนออกไม่อยากเเอาันไว้ลย นี่แหละที่นักปฏิบัติทั้งหลายที่ท่านไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนไม่ยอมกินฉันอาหารพราะท่านทําตัวเนี้เดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรพืดถอนตัวเนี้ย ไ, ไม่ใช่เดินจงกรมนั่งสมาธิเอาความสงบอย่างเดียวไม่มีหรอกถ้าสงบแล้วจะไปปฏิบัติกับอะไรถ้าไม่มีอารมณ์มาให้รับรู้แล้วจะไปปฏิบัติกับมันยังไงสงบแล้วไม่ต้องทําอะไรสักสิ่งกิจของการปฏิบัติไม่มี ใช่ไหมล่ะอันนี้มีอารมณ์มากระทบเรารู้เรารู้มันเกิดแล้วก็เราใช้การปฏิบัติต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นขนาดนั้นเลยเมื่อเราได้ปฏิบัติต่ออารมณ์ที่มากระทบกิตมักเราก็จะเจริญความเห็นเราก็จะถูกต้องไปเรื่อยๆมันก็จะไถ่ถอนอยู่เรื่อยๆไอ้ก็อุปทานนี่มันีเหมือนท่าว่ามันมันรุ่มรวนก็มีเนาะรุ่มรวนแล้วก็มันกับ ่องย่องย่องย่ อ, ย อ, ยอมาแล้วต่อมายึดยึดถืกออี้เอาไปอแบบี้ก็มีนี่ที่แบบอี้ก็มีอย่างเงี้ยต่อหน้าต่อตาข้ามิน อ, อุปาาอาทนานในธรรมก็ยังมีเลยผูประทานในธรรมมันให้ยึดถือนในธรรมยึดถือในเช่นคนที่พิจารณาไตรลักษณ์อันนี้จังทุกครังอนาตาเกิดรู้สภาวะเห็นในไตรลักษณ์ปั๊บยึดถือในไตรลักษณ์คาวามรู้จ า, ากไตรลักษณ์ที่ตัวเองพิจารณาเนี่ยจะยึดถือในนั้นซึ่งไม่เข้าใจว่า การพิจารณาแล้วรู้ในอะไรก็ตามสิ่งที่รู้ทั้งหมดเป็นเพียงแค่ธรรมกายะตนะถ้าถ้ารู้ว่าเป็นธรรมกายะตาณะคือทําอารมณ์อันหนึ่งแต่เป็นธรรมอารมณ์ในชั้นดีฝ่ายดีฝ่ายมักก็รู้ว่าอ๋ออันนี้ควรเจริญขึ้นแต่จะไม่มีการยึดเพราะเขารู้อยู่พอบางคลมาถึงก็เขาพิจณาทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดทุกอย่างเลยไม่มีตัวตนส่วนใหญ่ก็อย่งอย่าง แลาวก็ยึดถือในในความห็นน้นกสิบกนี่ฮะถ้าอ่านเผลเผอนี่เหมือนดีหมดเลยนะแต่ก็เพี้ยนเพียนมีเพียนปากปกติแล้วก็ปะสนุนะฮะอุปกรณ์เลสสิบหกอ่ะมีเพียนปา่เาเรียกว่าปสนุะถ้าพูดว่าอุปกิเลสมันจะไปซ้ากับอุปกิเลสสิบหกอีกตัวหนึ่งชัวใช้ก็าปสนกิเลสเพียน เย็นมากกว่าีมีสติมากกว่าใช่อะไรอะนั้นคือยึดยึดถือทำมาลงอยู่เหมือนดีเลยมยานะชั้นดีแบบดีเออคนดีเลยอะแต่เยตัวละเอียดอืมแยยได้อยู่เันใชตายด้านมันต้องก้าวผ่านมันต้องรู้ทางแม้กระทั่งธรรมยตนะในชั้นดีเนี่ยในชั้นอิปัสสนาเนี่ยว่าเป็นทุกขสัจจ์มันมันต้องเป็นความละเอียดรอบคอบมากถ้าไม่ผ่านชั้นนี้ก็จะไปตกลงอยู่ภายใต้ การปรุงแต่งของวิปัสนาญาตนะครฮะเพราะว่าวิปัสสุกิเลสจะเกิดไม่ได้เพราะอาศัยวิปัสนาญาตเท่านั้นอยู่ในสมถะจะไม่เกิดอาศัยวิปัสนาเท่านั้นมันดูเหมือนเหมือนดีหมดเลยนะดีสิเราเข้าไปจะได้นโอ้ยางงี้ก็พรมันเคยเกิดอยู่หลายข้อนะโอ้ภาคมั่งเกิดอธิโมคือจิตที่มันพ้นจากอารมณ์พวทั้งหลายทั้งปวงอย่างยิ่งเลยครับแต่พ้นชั่วขนาดนี้อ่าพ้มันไม่ชั่วขนาดโดย กำลังของอิปัสนาญางแก่ก้านี่นะชาตินี้ทั้งชาติไม่เสื่อมก็ได้แต่ไปเสื่อมชาติหน้าได้อใช่มมี่เสืาานทีนี้เมื่อมันไม่เสื่อมเพราะอิปันสนาญาตแก่กล้าวเขาก็เลยพาใจว่าจิตของเขาเนี่ยมันคงที่แล้วพระมันไม่เสื่อมไงแต่แต่มันจะไปเสื่อมชาติหน้าเพราเสื่อมชาติหน้าอ๋อคุยังมาเกิดอีกเลยแหละที่ที่หลงที่หลงว่าตัวเองมันรู้แต่มันอยู่ตรงนั้นใช่ตรงนั้นก็รู้อยู่ตรงนี้ แล้วคนนี้มันจะมันจะทะนมใจไปการรู้การเห็นมนจะรู้เห็นได้ไง่ายเพราะเนีย้ยอไมันเกิดไปเกิดขึ้นกับอาตมาภรรษาเนี่ยแล้วตอนนั้นอาตมาก็ผู้ผู้พิเศษใช่ังม่าตัวยังเป็นผู้พิเศษที่ไหนได้มันถูกปลูกแต่งทั้งนั้นเลยถูกว<า>ิปัสนานม้ดูกิเลสใชไมันไม่อกู่ในการปลูแต่งใช่เป็นกิเลสล้วนๆคนรู้เหมือนเหมือนเหมือนดีอาจารย์บอกว่าอยาจะ ใ ช, ใช่พชนี้วิปัสนากิเลตนะมันและที่สุดะ อ, อะไรนะพ้นชั่วขณะเป็นไรนะใช่กระจัดอยู่ในชั่วขณะเหมือนกันคือชาตินี้ไม่เสื่อมก็มไปเสื่อมชาติหน้าคือมันมันพ้นในในชาตินี้นนพ้นจากกิเลสนชาคือกิเลสไม่เกิดเลยนะคนที่เจริญวิปัสนาโดย ย, ยางแกก้าเนี่ยกิเลสจะไม่เกิดเลยแต่วิปัสนานั่นแหละ มันคือกิเลสผลของการวิปัสนาที่วิปัสนาแล้วมันจะเกิดกิเลสพิปัสนาเขาให้ก่อปัญญาค่อยเอาปัญญาเขาไม่ได้เอาความรู้ที่ไปวิปัสนาคือเขาเอาปัญญาในการรู้เห็นตามความเป็นจริงและอันนี้ก็เป็นความจริงเหมือนกันใช่มันก็รู้เห็นตามความเป็นจริงเหมือนกันแต่มันเป็นการรู้เห็นตามความเป็นจริงที่ยังไม่เข้าถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าจิตยังไม่สัมผัสกับพระนิพพาน จึงยึดถืออารมณ์ของวิปัสสนาแม้ในชั้นของอริยมรรคเนี่ยก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ้ายังไม่เข้าถึงนิพพานเขาเข้าถึงนิพพานหน้าโกวตรงหมดชั้นด่าเลยลงไปชั้นเขาบอกว่าเอาแล้วจะรู้ได้ยัไงถึงพนิพพานมันจะทิ้งอารมณ์วิปัสสนาหมดเลยเข้าถึงนิพพานแล้วอารมณ์วิปัสสนาจะไม่มี นี่นะเขาบอกไดาว่าได้ลมแล้วก็ต้องละทิ้งอารมนั้นอีกไม่งั้นไ ม, ไม่ถ้าสิริพามันจะละเองมันจะละเองเอารมณ์วิปัสสนาทั้งหมดจะไม่มีมันจะเหลืออัธยาศัยที่จิตรู้นิพพานแล้วรองรับและจะมีความรู้ความเห็นเหมือนกับวิปัสสนาทุกอย่างแต่ไม่ใช่ไปการเจริญวิปัสสนาเป็นอัธยาศัยเลยเป็นคุณสมบัติในจิตเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องไป รอน่าวิปัสสนารอกำหนดวิปัสสนารอให้อยู่เรื่อยๆไม่ใช่คือมันเป็นธรรมชาติใช่คุณโนสติในตัวเลยเห็นสิ่งใดก็ตามมันก็เข้าใจตามนั้นเลยอริยสัจชัดเจมันไม่ต้องมาคอยกำหนดวิปัสสนาเหมือนเดิมตั้งแต่โสดาบันไปจะรู้จากนั้น พระโสดาบนแม้จะเจริญวิปัสนาขึ้นมาอีกในระดับที่สองเขาก็จะเข้าใจอยู่แล้วว่าการเจริญวิปัสนาเพื่อไถ่ถอนสังโยชนหากสังโยชน์ไม่ไถ่ถอนวิปัสนาที่เจริญขึ้นเขาก็รู้อยู่แล้วนว่ามันมันยังไม่ทีมันเป็นแค่เครื่องมือเอาไปไม่ได้ก็ต้องตอนปฏิบัติก็ต้องใช้เครื่องมือก่อนพอถึงความสําเร็จแล้วก็ต้องไม่ใช้เครื่องมืออะไรอยู่ก็ทีก็สร้างเครื่องมือขึ้นมาใหม่ในการที่จะไปแก้ไขอันใหม่ กรมลำดับอันนี้ก็ยังเข้าวิปัสนาเข้าวิปัสนาเข้าห้องวิปัสนาเข้าห้องวิปัสนาอยู่นั่นแะท่านข้ามันไม่มีเข้านะพูดที่ไปถึงพ่านิพพานแล้วไม่ต้องไปเข้าวิปัสนาอีกนอกจากไปวิปัสนาตัวใหม่คือสังโยตัวใหม่ <c oughs> ตนน้นแหละที่อ่านเข้าคอดเข้อดม ก็ไม่ว่ากันหรอกแต่ก็ดีอยู่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีถือว่าเป็นกุศลธรรมแต่มันยังไม่พ้นไไปปเี่ยวอส่วนมากเราควบขบขบขบคําสอนของพุทธเจ้าไม่แตกพราะมองความสอนของพรุทธเจ้าไม่ไม่รอบรอบครอบรอบรอบรู้ให้มันทั่วถึงเราไปจับแค่จุดได้จิดหนึ่งวิปัสนาก็วิปัสนาสมถธิก็สมาธิ เอามาใส่ด้วยกันก็ไม่ได้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้สมถะก็วิปนะัสนาพูดธเจ้าบอกไปด้วยกันไม่ไม่เอามาไปด้วยกันแรงพจนก็ะอะไรสอนอสมถะ ไ, ไม่ดีไยว<ล>ิ<น>ปัสนาก็จะบอกสมถะไม่ดีาย<น>สมถะก็บอกวิปัสนาไม่ดี้น ไ, ไปทําสมถะมาไม่ดีหรอเสียเวล า, าแต่สมถะต้องเข้าใจว่าสมถะในความหมายของพุทธเจ้านะสมถะในความหมายของพุทธเจ้า ต้องเกือ้อกูลต่อวิปัสสนาวิปัสสนาที่พระเจ้าทรงสอนต้องเกือ้อกูลต่อสมถะใช่ต้องเกือ้อกูลกันพระเจ้าบอกว่าหากจเจริญสมถะอย่างเต็มที่แล้วพึงสแสวงหาอาจารย์ผู้สอนวิปัสสนาหากจเจริญวิปัสสนาเต็มที่แล้วพึงจเจริญพึงหาอาจารย์ผู้สอนการจเจริญสมถะคือถ้าใครเรียนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้อง สมมตผู้ที่ฝ่ายเรียนสมถะต้องไปหาอาจารย์วิปัสนาคนที่เรียนวิปัสนาต้องไปหาอาจารย์สมถะพระเจ้าสอนอย่างนี้เลยนะบอกเลยนะต้องไปหาเลยนะไม่ใช่เป็นลังเกียจกันนะ <c oughs> หากบุคคลใดจเจริญทั้งสมถะและวิปัสนาอยู่แล้วไม่ต้องไปหาอาจารย์ไหนพระเจ้าบอกว่าทําสมถะและวิปัสนานั้นนะ่ะให้มากจเจริญให้มากจักเข้าถึงธรรมอันเป็นที่บรรลุอันนั้นหมายถึงว่าพระเจ้าเนี่ย ทรงรู้เส้นทางของจิตที่จะดําเนินไปแล้วว่าจิตดวงนั้นนะ่ะเมื่อจะโดยสรรมรฏฐานและวิปะนะัสนาเนี่ยจะต้องดิ่งไปสู่การบรรลุมรรคผลแน่นอนมันเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเจริญกับสรรมัฏฐานวิปัสนาควบคู่กันมันไปแน่นอนและการตัสรุปเป็นเรื่องเฉพาะตนคนรู้ น, นถึงจะรู้แต่ถ้าใครก็ตามวิปัสนาโดยส่วนเดียวพระยากขาบอกว่าไม่มีทางได้อารมณ์วิปัสนาอยู่ แต่จะไม่ไม่ได้การบรรลุด้วยความสงบได้การที่ไม่กิเลสให้กำเริบในขณะนั้นแต่ไม่ได้การบรรลุหรือเจริญสมาธอย่างเดียวสงบก็ได้ความสงบกิเลสไม่กำเริบเหมือนกันแต่จะไม่ได้การบรรลุแต่ทีนี้มันก็เป็นมันเป็นเป็นเรื่องทเรียว่าเป็นกับดักอันหนึ่งนะคนที่เจริญสมาธิไม่อยากจะวิปัสสนาไม่รู้เป็นอะไรคนที่วิปัสสนาไม่อยากจะสมาธก็ไม่รู้เป็นอะไร มันจะติดอยู่มันจะมีการติดอยู่องหลวงตามมหาบัวไปหาหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นก็รู้อยู่แต่จะทำยังไงเพื่อให้ออกจากจิตห ล, ลงตามมหาบัวออกจากสมออกาธิไม่รู้จะใช้อุบายไหนท่านก็เลยใช้อุบายการดา่ากี่ปีกี่ปีก็นอนตายอยู่นั่นแหละมาหาหลวงปู่มั่นมาจะไปนอนตายยังไงหล่ะครูจย์ พอแม่ครูอาจารย์จะไปนอนตายที่ไหน่ะนี่มันจะเป็นนิพพานอยู่แล้วนิพพานบ้านิพพานบอลมาห า, าสมาธิทั้งแข่งกับกิเลสทั้งแข่งนั่นแหละไปพิชรนาดีนี่จะไปพี่าา น, า น, น, พนาอะไรอีพี่นามันให้มุ่งวุ่นวายทําไมเนะี่ะต้ตามมหามวัวคิดในใจเถียงโทปู่มันแต่ด้วยความเคารพครูบาอาจารย์ไงไหท่านบอกให้ไปทําก็ไปทําำพอได้พิจารณาแล้วสามวันสามคืนไม่ยอมหลับยอมนอนเลยที่นี่หาที่หยุดไม่ได้ ก็เลยมาหาลูกตาลูกปู่บ้านอีกอพ่อแม่ครูจารย์ทำไมพี่น้ําไม่หยุดเลยนีเนี่ยหมุนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลย ต, ติ้วอยู่นี่มันจะตายแล้ลมนมาหาเนี่ยมาลูกปู่บ้านป้ไปเข้าสงบบ้างสิคือก็เรียกสุตโตงเลยเอาอ่า น, น, นอดาอ่านประวัติไปแล้วก็ยิ้มไปแล้วก็หัวเราะไปแล้วว่ามันตรงกับเราตรง น, นั้น่ะตอนที่ทําสมถะเราก็โซใส่สมถะเต็มที่ ตอนที่เราวิปัสสนาเราวิปัสสนาเต็มที่วิปัสสนามันจะมีจุดหนึ่งที่รู้ภายในตนเองนะรู้สึกภายในตนเองว่ามันไม่มีขอบเขตคือจะเจริญวิปัสสนาไปในมันหาสุดที่สุดด้วยขอบเขตในตัวสภาวะทำไม่ได้เลยมันทะลุทะลวงไปหมดอะไรก็ทะลุทะลวงไปหมดสัาผัสไ้จะนิ่งแต่วิปัสสนานี้โอโหไปแบบไร้ขอบเขตไปเลยมันการพิจารณาของจิตนะ อ่ยุติไม่ได้เลยอะไรจับมาพี่นาหมดอะไรทุกจันจับมาพี่นาหมดเลยจับทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในจิตทั้งขานเข้ามาตางคุยอยู่นี่พิจารณาทุกเรื่องแต่สมานิ่งอย่งเดียวเลยนี่ไม่นาไม่จับอะไรสักอย่างตัดขาดการรับรู้อย่างเดียวไม่ซดไม่เอาความทิดฌานก็แบบโอ้โหฌาน้าตุฌานนีนแบบเหมือนกับต่อตะกูลงไปในเนื้อไม้ ถ้ามันตอกลงไปจมดิ่งแล้วมันจะไปขยับกระภูดได้ไหมละ่ะมันโอ้โหมันปักอยู่างนี้นเลยคว mm hmm. ามเป็นชาญกับสมาธิเลยแตก ต, ต่างกันท้งน mm hmm. สมาธิอย่างน้อยมันยังรู้อยู่แต่ชานนี่นี่เหมือนขนาดเราพยายามที่จะบังคับให้ร่างกา ย, ยกระดูกกระดิกมันยังบังคับไม่ได้เลยกำลังของชาญมันกับแท่งหินแท่งศิล า, าอะไรอย่างนี้มั น, ม น, มนเราจะขยายามขยับเราไหนะ้านะที่ว่า เราก็ทำของเราเองเน่ยเราจะขยับมันมั น, นยังขยับไม่ได้เน่ยชั้นบังคับให้นิ่งอย่างเงี้ยจะดูประเด็นยังไงอ๋อนี่แหละที่เขาเรียกว่าอสันยีสตตพม์นิ่งเหมือนกับพทุทรูปเขาบอกว่าอยากรู้ว่าอสันยีสตะพม์เป็นยังไงให้ดูพุธรูปเป็นแบบนั้นอยู่ที่ชั้นอันสอันยีสตตนั่งนิ่งเฉนิ่งแบบพุทธรูปเลยเต็ไมไปหมดเลยอยู่อสันยีสัตตพม พรู้สึกแคือฟองมือไปแล้วลก็หมดจนกว่าจะหมดหมดหมดกำนาจชันกลังของชันหมดก็ลงมาเกิดนอยงนั้นแหลแบบ่รถอไม่รู้รอนน้ไม่รู้อะไรสิสิัวอะไรก็หน้าตัวใครจะบทบาลสานกาลาจะไม่รู้อะไรขอให้พรมมาช่วยพรมมาช่วยจะไม่รู้อะไรเนาะอสัญญีสัตานี้แล้วเลยขนาดว่าผู้ได้เจ้ามาตรัสรู้ในโลกทุกชั้นรู้บท อสันยสัตะดิ huh. ่งอย่างเดียวกไม่รู้ไม่ซดพระท้ามาทำประสง์ไม่รู้่นี่ก็นั่งแบบพรตรลุปลจะไปรู้เรื่องอะไรพระเจ้าาานเน่เขารู้กันทั้งโลกทัาตอาสันยสตะกูไม่รู้กูไม่เรื่องพระท้ามาปสุาานกูไม่รู้เลยกีกีะองก็ไม่รู้เรื่องกีอกก็ไม่รู้เรื่องอาจจะอสันยีสัตตเป็นอย่างนั้นชาธรรมดาไม่ธรรมดา นี่แหละนิทานโฟเป็นอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีกิเลสอยู่นล้นะแต่ไม่ใช่ว่าบดกิเลสนะกิเลสี่เกิดแล้วนรอไปมากิเลสท like ี <c oughs> ่เ oh ก no, ิดมันทุกข์กบนาานกลัวกลัวกลัวได้กลัว็ไม่รู้แล้วนควเราไม่หนาคว แต่ไอ้ใครอ่านอะไรนะหรือทรางอะไลท่านว่าเป็นฌานเนี่ยเป็นเมเนี่ยตาเป็นขอน้องขวัญว่าตาเกิดเป็นมีความนานี้เป็นจ่พุทธศาสนามีการนี้พัฒนาแต่ผมเนี่ยอันนี้ม็นไม่ได้มีอะเลยไม่มีปรยเสียเวลาเพราอไรอีเสียเวลาก็ยังถือว่าดีนะเป็นเสียเวลาดีก็ไม่ดิๆงดับไปไม่ต้องทนพยาบาลทุกในตกนเป็นสัตว์ไร้แล้ยฌานนี่โอเคถูกวู่้อหนึ่งทักมาก็ไปคุยได้ทำพราะเขามาแ ไปเกิดเป็นลูกผมยังไม่พอรอรหลุมสะดุ้งตรงไหนท่านอาจโอ้มันเสียวว่าไปสันหลังได้ัลยถ้าทาักงมะขามเดียวเนอะลูกผมเขายังรับรู้อยู่นะอลูปผมมก็เสียวว่าไปยังรับรู้อยู่แต่อสันยีสัตตนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเล ย, เลยถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นพกทื่อ ๆ, ๆนั่งทื่อๆทื่อๆเฉยๆป็นรู้ร้อนรู้หนาวเลยผม ก, ก, ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่รก็นมันรู้มีอยู่หนชั้กันนะ อันนาคนท่านอยากได้เลเนี่ยเราเป็คนมีถิ่บรรพบุรุก็ถ้าจิตของมนุษย์เนี่ยสภาพของมนุษย์น่ยมันอวมวยต่อการบรรลุมันต้องออกมาจากจุดของตัวนั้นให้ได้แต่นั้นเป็นแค่หนี้สัยมันติดมาเรือใบเศษของชัติติ๊อิมันติดมาเศษเท่ากับขี้เล็บมันติดมาติดมาเป็นอุปัิสัยมันเพียงพอที่จะเป็นมนุษย์คือเพียงพอที่จะตัดสรุปอยู่แต่ถ้ายัง ทำสมาธิแล้วมันจะตกไปสู่ร่องร่องเดิมคือจะตกลงสู่ควาางหลังอย่างลึกขาดการรับรู้ภายนอกทั้งหมดมันก็จะไปสู่ร่องเดิมถ้าไปสู่ร่องเดิมเนี่ยเอาอีกแล้วพี่ไซเออร์ก็เอาอีกเป็นอีกรอบสังเกตพวกที่หลับลึกๆแบบไม่รู้ตัวเลยยาวไปแบบฟ้าร้องก็ยังไม่รู้ฟ้าผ่าก็ยังไม่รู้ฝนตกพายุมาก็ยังหลับ นอนเขาเียกวนอนหลับท่าเดียวได้ตลอดทั้งคืนวกับสัญญาสัตว์ต่างกัตู้ไม้ทำเยอะกระดาษเนี่ยผมนอนแถวตรงเลยอ่ะมีเงียบมากฝึกไม่ไม่ไอไอนั้นฝึกต่างกันอันนี้เป็นอัธยาศัยเลยหลับแบบไม่ได้ฝึกเลยนะเป็นอัธยาศัยของเข้าเลยคือท่าเดียวตลอดเลยทั้งคืนไม่มีการตลิกตัวเนี่ยหนักมากสอนยาก ต้องเคหัวแล้วเคหัวอีกต้องกระทุออกมาให้เอาไม่เปนฮะอไรกเป็นกก้ไม่เค็ูน้องอะคอยงนะไแต่ไม่ใช่การฝึกนะมันก็เป็นอย่างงี้ใช่อาันยีสต์มาต่กยะเต้นหมือนกันะ่พวกนี้นี่ปัญญาจะไม่ค่อยมีปัญญาอย่าง แต่ด้วยความที you. You welcome, an ่ภาวะพร้อมเป็นมนุษย์เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาได้เนีถ้าเข้ามาสู่หลักของปัญญาเขาก็จะสามารถไปได้ผลได้ฝึกได้เปลี่ยนได้การปัจจุบันสันสำคัญกว่าเลยอันนั้นเป็นเรื่องที่แคบเศษของผลจากอดีตเศษเล็กๆีเล็กเหรอพเล็กเยอะ่ส สีเดยกีอยู่พอ้วยเดนี่หนึ่งนั่สอนี่สามครับนี่เออได้หรอไมได้็อารอาจคก็นอนท่าเดียวด้วยนะครันอหายอย่างเดียวเลยเออทาหายังไใช่มาท่าเดียวนั่นแหละไม่ตื่นไม่ในแล่ท่าเดียวท่าเดียวนั่นแหละเราดีดเตือนผมไม่รู้อไ อาจารย์คะขออนญาตกลับไปหาที่ตะิีอาาน่อยวิธีการแก้ไขถ้าพลิกตัวปั๊บลุกเลยวิธีการแก้ไขอสัญญาสตานี่นะนอนหลับนี่ถ้าพลิกตัวปุ๊บลุกเลย ท, ทันทีอย่านอนต่อง่าย เขาบอกพิดตัวมาแล้วตื่นไม่รู้จะทําอะไรเอาอีกแล้วอสชันยีสตาจะเป็นอย่างนี้แหละตื่นมาแล้วจะทําอะไรบะนอนต่อก็ถ้ามันยังไม่ใช่เวลาตื่นล่ะคะไม่ใช่เวลาตื่นก็ต้องตื่นใช่คิกตัวผู้พิเรี่ยนตื่นย้ายให้จิตมันลงสู่พวังมากแล้วก็ออกไปเดินเลยทําอะไรไม่คิดอะไรไม่ออกเดินก่อนเดินเลยนั่นแหละมันไม่ตื่นมันไม่ตื่น นอแต่ตอนเราจต้องต้องมีเคื่อคือทึนเขสร้างเวลาสามชั้มงจะต้องก่น์ไปนันี่ต้องหามสมาะใช่ไหมครับห้ามเลยถ้าจิตมันจะตกไปสู่รอบเดิมสมาธิฌานมันรองรับจิตมาแล้วพระพุทธเจ้าจึงหาวิธีการแก้จิตพโมคขลานะน มน้ำลูกหน้าอย่งเงยดูดาวหาอไแย่หูสารพัดสารพัดเนี่ยเพราะว่าพมกค า, าน้าเนี่ยมีร่องเดิมมาก่อนเนียอยสันอีสตรเดิมมาก่อนทงชาน <c oughs> พราวันนี้จะนอนอย่างเดียวนะติดม่วงติดนอนจะนอนอนะ่ะมันจิตมันจะเสพสุขเพราะว่าการหลับ <c oughs> แต่พอบรรุแล้วโ อ, อ, อ้โหมันีทีิฤทธิ์เยอะใช่าัางครเวลาลบนอ น, นะคะโอ้โหรู้สึก สบายความสุขอยู่ตรงนั่งหมดเลยเราจะมีความสุขเท่ากับการนอนไงได้เวลาลงหลัแตรโมแต่หน้าแบบนารักดีมากเลย่ไม่ไหวหรอในตนขื่นเลยไม่ก็เข้าห้องน้ำไ่ก็ต้าค่ะค่ะตอนนี้อยากเรียนถามตะกี้ที่อาจารย์บอกว่าความคิดกับจิตก็เป็นตัวเดียวกันใช่ความคิดเกิดจากจิต รอดก่อนอเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์มณก็เป็นตัวสแสดงของของจิตมาเ <c oughs> อาม็มายังไงเนี่ยที่พูดไปก่อนนะคะว่าจิตก็คือ อ, อะไรนะคะกระโถนนี้เมื่อมองมาก็ที่กระโถนนี้กระโถนนี้คือรูปปลาลมสําหรับลูกตาสําหรับการเห็นเข้าใจไหมรกระโถนเป็นรูปาลมแล้วถ้าบอกว่า อารมณ์อะไรเมื่อกี้อารมณ์ค่ะเป็นธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์อ๋อธรรมอารมณ์ก็พูดธรรมอารมณ์สิพูดอารมณ์สิยึดไปแล้ว่อารมณ์ตามธรรมอารมณ์ทำไมอ ะ, ะอ่ามันก็คือการสแสดงออกของจิตไม่ใช่อารมณ์คือธรรมอารมณ์คือสิ่งที่เขาไปปรากฏตก่อจิตทางด้านนมามธรรมทางด้านนามธรรมลูปปรากฏต่อตาลูปเป็นอารมณ์ของตาเสียงปรากฏต่อหู เสียงเป็นอารมณ์ของหูกินปากกดต่อจมูกกินเป็นอารมณ์ของจมูกลดปากกดต่อลิน้นลดเป็นอารมณ์ของลิน้นโหดถัพทะเป็นสิ่งที่มากระทบหรือสัมผัสหรือมาถูกต้องร่างกายโหดถัพทะคืออะไรก็ตามอ่ะที่มาสัมผัสกับร่างกายอันนั้นเป็นถูกถอดัพทะเป็นอารมณ์ของกายทำอารมณ์คืออารมณ์ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิน้นทั้งกายรวมกัน เรียกว่าทำอารมณ์คือไม่สามารถที่จะไปบอกได้ ว, ว่ามันมันคืออะไรแบบโดดๆตาเห็นรูปยังรู้ยังบอกได้ว่าเป็นโดดๆโดดใช่ไหมหูได้ยินเสียงยังบอกได้ ว, ว่าโดดๆเป็นเป็นสัทธารลมแต่อารมณ์ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งจิตทั้งนั้นทั้ง น, าานมันรวมกันอนะ่ะมันรวมอยู่ในอารมณ์เดียวนะ่รรออะก็เลยเรียกว่าอันนั้นคือทำอารมณ์ไปปรากฏกับจิตสิ่งที่ปรากฏกับจิตคือทำอารมณ์ไม่ให้ผลผลิตจากจิต ใช่ไปปากฏกับจิตเพราะธรรมอารมณ์พวกเนี้ยมันปากฏพร้อมกันทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เพราะตาเห็นได้อย่างเดียวหูฟังได้อย่างเดียวคือเสียงตาฟังเห็นได้อย่างเดียวคือรูปจมูกรับได้อย่างเดียวคือกินจะไปรับอย่างอื่นก็ไม่ได้จะไม่หล่ะแต่ธรรมอารมณ์รับได้ทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกินทั้งทั้งหมดรวมกันอย่างนี้ ก็เรียกว่าธรรมอารมณ์อารมณ์ที่มาตามธรมรมดาที่คือธรรมาแปลง่ายๆอย่างนี้นะอารมณ์ตามธรมรมดาของมันอะ่ะเอาธรมรมามาอยังไงก็มาจากตาหูจมูกลิ้นไกาเมื่อเลยไปปรกากฏเป็นธรมรมอารมณ์พอเข้าใจยังนี่จะถานต่อว่าแล้วที่ว่าความคิดความคิดก็คือจิตใช่ความคิดก็สังขารขัน ตัวปุ้งแตง่งก็คือส่วนหนึ่งของจิตอ๋อแต่ธรรมารมณ์นี่ปราดกสิ่งที่ปรากกขึ้นไปจิตเข้าใจยังธรรมารมณ์ก็เป็นธรรมายาตนะรูปารมณ์ก็เป็นรูปายาตนะสรัทธารมณ์ก็เป็นสัทธายาตนะคันธารมณ์ก็เป็นขันธายาตนะธรรมารมณ์ก็เป็นธรรมายตนะสิ่งที่จิตคิด พิจารณาใครควรจนเกิดเป็นความรู้ความรู้นั Jean ้นก็เป็นธรรมายตนะเรือธรรมอารมณ์พวกเจริญนิปัานนาจนเกิดความรู้ในนิปัานนาความรู้ในวิพพานนาก็เป็นธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกเห็นไหมล่ะต้องแยกนะถ้าไม่แยกปุ๊บรับทราบเป็นเอกรวมันเกิดการยึดมั่นหรือมันเป็นอัตตาของจิตอีกเป็นเชื้อหิมพานตอีกทั้งกุศลธรรมนั้นแหะ ก็เป็นเชื่ออย่างพบได้เพราะอะไรกุศลสังขารอกุศลสังขารมาจากอะไรมาจากอวิชชาใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อวิชชาปัจญาสังขารอะไรก็เคยบอกแล้วไงแม้แต่สติก็ยังเป็นกุศลสังขารไงเป็นสังขารธรรมที่สุดยอดเลยเห็นไหมก็ยังเป็นของอวิชชาอีกอยู่นะเขาบอกเอาพูดอย่างนี้ได้ยังไง สติมันเกิดจากสิ่งที่เป็นกุศลเป็นอริยมรรคมันทําลายอาวิชชาอยู่แล้วมันจะทําลายก็ต่อเมื่อรู้นิพพานตราบใดที่สติยังไม่สามารถทําหน้าที่ส่งผลให้จิตไปรู้นิพพานได้ยังทําลายอาวิชชาไม่ได้ก็ยังตกอยู่ภายใต้ปัจจัยจากอาวิชชาเป็นเพียงแต่เครื่องะรออะเลิกเป็นเพียงแต่เครื่องะระลิก อ, อยู่ตรงนั้นเพราะสติก็ยึดถืออะไรก็ไม่ได้สร้างขึ้นมามันทําหน้าที่ในการ กั้นกระแสทำหน้าที่ในการรู้สึกตัวสัพชัญญะสุดท้ายเมื่อมันดับมันก็ต้องดับไปบงังคับมันก็ม่ดับไปยึดถือไว้ก็ไม่ได้ถ้ามันยึดถือไว้ได้ก็คงจะได้ตลอดกาลคงไม่ต้องมาเจริญแล้วเจริญอีกไม่ต้องมาตั้งสติแล้วตั้งสติอีกใช่ไหมละ่ะก็จะตั้งเอาก็สติตรงนั้นน่ะเอาคาไว้อย่างนี้เยใช่ไหมไหมันมันยึดถือได้ที่ไหนเรา ใช่มันก็ยังมีกิเลสอาสวะมันทําให้ขาดสติตั้งหลายอันสังโยชน์ที่ทําให้จิตต้องขาดสติไปกับอาการของสังโยชน์ตั้งหลายอันมันต้องตั้งขึ้นมาใหม่ตั้งขึ้นมาใหม่ตั้งขึ้นมาใหม่ตั้งขึ้นมาใหม่ใช้ใหม่แล้วก็ดับไปใหม่ใช้ใหม่ต่อเหตุการณ์ขนาดนั้นก็ดับลงไปใหม่ตั้งสติขึ้นมาใหม่ใช้ปฏิบัติต่ออารมณ์นั้นใหม่แล้วก็ดับลงไปใหม่ครับได้จริง สติเขาก็ยังเป็นสองอยู่เนาะใช่ไหมฮะเป็นมิจฉาสัมมาเออเพรางนั้นมันยังไม่ใช่อะไรนะมิจฉาสติกับสัมมาเออมันยังเป็นสองอยู่ไงเพราะนั้นตราบใดที่ยังเข้าไม่ถึงพานิพันธ์จะมาเอาแค่ว่าเจริญสติเจริญสติอยู่ทั้งชาตินี่แล้วจะหวังเอาพนิพันธ์ไมีทางหรอกเอาแต่สติยังเียใช่ไหมหลังสมมาที่สี่ประเภทอะไร ทิฏฐธรรมะสุ ข, ขวิหารลสมาธิได้ฌานใช่ไหมได้ความสุขในปัจจุบันใช่ไหมแต่ไม่ได้ความพุกใช่ไหมอะไรญ า, าณคัสนะปฏิราณสมาธิได้การรู้การเห็นอมรุตถีปีศาเทวดาชควบคุมนรกสวรรค์แต่ไม่ได้การนทุกใช่ไหมสติสัมปชัญญะสมาธิได้ความระลึกรู้สึกตัวแต่ไม่ได้การพลุกใช่ไหมอาสวัคยะสมาธิ อันนี้ไดความบุดพ้นอันนทำลายอาสระเห็นไหมสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิคืออันนี้สมาธิอันนี้ไม่ใช่สัมมาสมาธิชั้นสีโดยการนั่งทำชั้นนั่งเจริญสั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามมาสี่ได้สูงในปัจจุบันยานักสานาปฏิลาภาด้วยการกำหนดแสงสวา่างกลางคืนหรือเป็นกลางวันอมองเห็นสาภาพกลางคืนให้เป็นกลางวันในที่ไหก็ตามกำหนดที่ใดที่หนึ่งสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งหรือลานโล่งๆกว้าง ให้เห็นเป็นตังวันอยู่ตลอดเวลาจะก่อให้เกิดการรู้เห็นอมรูปถี่ปีศาจได้รู้เห็นนรกสวรรค์ได้น้อมจัดจิตไปเพื่อรู้เพื่อเห็นได้แต่ไม่ได้ไม่ได้การปนพุกเพราะบางคนสงสัยไงว่าเทวดามีไม้มสวรรค์มีไหมนรกมีไหมก็ฝึกอันนี้ขึ้นมาให้เห็นเพื่อคลายความสงสัยพอคลายความสงสัยแล้วก็พอแล้วไม่ใช่ไปยึดอยู่กับการรู้กำเห็นไปทํานายทายทักไปเห็นอันไปเห็นอันอ น, นี้ไอเนี่ยผิดเลยเลยเนี่ยปินเป็นฉ า, าไปเลย กับสติสติสัพปะชัญญะสมาธิสมาธิการฝึกสติสัพปะชัญญะโดยการดูจิตใช่ไหมพวกดูจิตทั้งหมดอะได้แค่สติสัพปะชัญญะแต่ไม่ได้การบรรลุจะฝึกจนตายแค่ไหนก็ไม่ได้การบรรลุได้แค่สติประเภทดูจิตดูจิตดูยังไงก็ดูเวทนาสัญญาวิตกดูสิ่งที่เกิดกับจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนจะถูกนะ แต่ยังไม่ถูกได้แค่สติสัปปัญญาแต่ก็ดีตายไปด้วยสติก็ยังถือว่าไม่หลงสติก็ไม่ได้กุศลก็ถือว่าใช้ได้ก็ือว่าใช้ได้่ไหหล่ะแต่สุดท้ายเนี่ยอาสวัคยะสมาธิโดยทำโดยการพิจารณาเห็นขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนืองเนืองบ่อยๆเสมอคือต้องเห็นครบทั้งห้าขัน เป็นสมาธิเป็นไปเพื่อการทําลายอาสวัให้สิน้นก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เป็นบทตายตัวอยู่แล้วว่าสมาธิเป็นไปเพื่อทําอาสวัตให้สิน้นยังจะไปนั่นทาชงทำฌาห์ทาํารู้เห็นผีปีศาอะไรอยู่ทําไมก็มตัดความสงสยัยนลกสวรรค์ไม่ใช่สาระนี่เป็นเพียงแค่คติสอนให้เราได้รู้การการะทำบัตรทำอันนี้ไปอันนี้เป็นได้รับผลอันนี้การกระทำอันนี้ไปได้รับผลอันนี้ ไ, นนไม่ได้สาระอะไรสาระคือการรู้เห็นขันห้าเกิดดับในขณะปัจจุบันนั่นหรือเปล่า เนี่ยสารมันอยู่ตรงนี้และจะเลินให้ ม, มากกระทาให้ ม, ม, มากบ่อยๆเนื่องๆ อ, อยู่เรื่อยๆนะ <c oughs> อตาตมาก็ย้ำสอนอย่างนี้มาตลอด <c oughs> ใช่ไหมกับลูกศิษย์ <c oughs> เคยให้ไปนั่งดูดูโลกดูสวรรค์ไหมนั่งสมาธิ <c oughs> เดี๋ยวไปเข้าเฝ้าพรุทธเจ้าที่ดิพพานก่อนเเคยสอนไหม นิพานเองไม่ต้องไปนั่งหาอย่างนั้นหรอกนั่งที่นี่ก็ถึงนิพานได้นิพานถ้าจะพูดให้หนักขึ้นไปอกีกล็นั่งเบ่งที่อยู่ก็ถึงนิพานได้แต่พูดไปก็หวาพูดอะไรขนาดนั้นพระอาจารย์หวาเนี่ยแล้วที่มีพูดขนาดนั้นจะ็นทพูดขนาดไหนมันไม่ใช่จะต้องมาทําสมาธิแล้ว ไ, ไปนิพานสมาธิไปนิพานไม่ได้หรอกยืนยันทาสมาธิไปนิพานไม่ได้ เด็นทำ้าเนะที่ทานจะเย็นาติรก็ทานได้ะทานข้าไม่านไปบ้านเย็นอยู่อยู่ใต้ท้งรถจะม่านได้เนี้ย นิาแตว่าเย็นาแว่าเย็น่ะแสดงพวกอยู่ที่ขั่วโลงเหนือนี่นิทานนี้หมดนันี่มันฝึกมาแทบเป็นแทบตายได้กว่าจะมาเล่าให้ฟังได้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยั้วโลกเหนือจริงจริงนะจริจริงนะมันจะถามรู้เลยอะไระ ี่มันก็เย็นก็ถูกอยู่คาว่าเย็นนี่คือมันไม่มีความร้อนด้วยกิเลสความเราร้อนด้วยกิเลสไม่มีเย็นอกเย็นใจเย็นสมาสมาตอนนี้ต้องบอกว่าเย็นฌานได้นี่นั่นแสดงว่าอยู่ที่จริงพวกดูจิตเนี่ยนะผมก็ว่าอย่างนั้นเลยมันดูเกิดดับดูอารมณ์เนี่ยมากรทบดูกรดดับก็ดับนนั้นแหละเห็นกัราะใช่ใแต่มันมันจะ ดูเกิดดังไม่เลิกไงไม่เลิกไงใจและปัญญาจะไม่เกิดเองแล้วไม่เกิดจแตเมื่อไมันได้สติสัพพัญญาได้ทีนี้พอก็ได้สติสัพพัญญาแล้วมีสติรู้ทันต่ออารมณ์ทุกๆอารมณ์ได้แล้วไม่ไม่สืบต่อกิเลสในเวลานั้นเพราะขณะนั้นมีสติกิเลสไม่สืบต่อถูกไหมเขาก็เฮ้ยไอ้นี่มันมันใกลเราดีกว่าหรืออันนี้มันมันใช่เราบ้างหนินั่น่าจะเป็นแล้วนั่นเป็นอะไรล่ะเป็นอันนี้แหละเป็นนี่ใช่แล้ว เดี๋ยวแมู้จิตไปเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเงาเขาัากันเองก็เหมือนเหมือนแล้าหน่าจะเป็นมรรคเบื้องต้นแล้วเฮ้ยตอนนี้กำลังกำลังทรงอารมณ์ระโสดายุกไปบ้าก็โสดายังทรงอยู่บูจิตแต่พวกูจิตแลเขาต้อเขาเหมือนเหมือนจะเนาะเหมือนจะหลุดแล้วก็ไม่รู้มังพูดถึงเขาหรอกไม่พลาดทิ้งหรอกแต่ลองให้ฟังมันมีหลายจําพวกที่มา ม า, มาถามธรรมะกับอามตามาอาตมาก็บอกว่าจะเอาแบบที่อตาตมาแนะนําหรือเปล่าหรือจะมาถามเพื่อเพียงแค่สนทนาธรรมกันเฉยๆถ้าสนทนาธรรมกัเฉยๆก็จะสนทนาด้วยอยู่ก็จะไม่พูดในแง่ของตัวเองก็จะพูดเอออ่าดีๆไปอย่างเงี้ยพอาะเขาได้พูดในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติมาแล้วดีก็อนเขาสบายใจแล้วเออโอเคจบแล้วก็แล้วแต่ถ้าจะเอาแบบอตาตมา ที่ทําอยู่ทิ้งให้หมดจะมาวบบนี้จริงต้องเอาออกทิ้งให้หมดจะมาจากอุบาอาจารย์ไหนก็ตามทิ้งให้หมดเอาทําไมต้องทิ้งเอาแค่นี้ทิ้งไม่ได้เลยถ้าทิ้งไม่ได้ก็ติดแล้วนะติดอยู่กับสิ่งที่ยึดถ้าวางไม่ได้นะอะคนที่วางได้เพราะวาง ไม่ไม่ยินดีแม้กระทั่งสติที่เกิดขึ้นไม่ไม่ไม่ยินดีแม้ทศมาที่ที่เป็นไม่ยินดีแม้กระทั่งปัญญาที่เขาเจริญอยู่ไม่ยินดีมันต้องวางได้ธรรมทั้งธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีอะไรตายตัวอนัตตาธรรมะหาความตายตัวไม่ได้ไม่มอะไรตายตัวหรอกการปฏิบัตินะมันได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราเข้าใจหรือเปล่า เราสามารถอธิบายให้จิตได้รู้หรือเปล่ า, าพานิพันธ์เห็นต้องเห็นจริงๆไม่ใช่ ไ, ใชไปนึกเอาหรือเดาเอาว่าจิตของเราเนี่ยกิเลสนี่เกิดแล้วมันน่าจะเป็นพนิพาน์แล้วนะนี่ไม่ใช่นะคือมันมันเหนือเหนือสิ่งที่จะไปคิดได้ตัวเนี้ยมันต้องเป็นความประจับกแจ้งชัดเจนในจิตอาจารยพานิพันใช่เป็นเมืองไม่ใช่ไม่ใช่เป็ น, นมือ <c oughs> ง <c oughs> ไม่ใช่เป็นดินแดง <c oughs> ไม่ได้เป็นสถานที่ นิพพานไม่ใช่เมืองไม่ใช่ดินแดนไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ที่ที่จะไปอา่าแล้วแล้วทาไมบอกไปนิพพานไปนิพพานไปนิพานนพานไนานไม่ีหถ้าสมมติว่านิพพานปรากฏกับจิตแล้วปั๊บต้องไปไหมต้องไปจะไปทำไมก้นมันปรากฏกับจิตแล้วต้องไปทาไมแต่สวรรค์ น, นี่ต้องไปเพราะสวรรค์เป็นสถานที่นรกต้องไปเพราะเป็นสถานที่แ้วอยากไปไม่หล่ะไม่อยาก ผมก็ต้องไปเพราะเป็นสถานที่แต่นิพพานเมื่อปรากฏกับจิตแล้วไม่ต้องไปอยู่อย่างนั้นเลยอยู Japan ่กับจิตนั่นแหละพอจิตดับปุ๊บนิพพานนั้นแหละตายอยู่นี่ก็นิพพานอยู่นี่ตายอยู่อินเดียก็นิพพานอยู่อินเดียตายอยู่สารรับบริการก็นิพพานอยู่สารรับบริการนิพพานไป้ทุกอยอยู่ได้ทุกสิ่ก็พูดได้เจ้ามันมันอยู่ที่ไหนเข้าถึงได้ทุกที่ไงนิพพานเข้าถึงได้ทุกที่แต่แต่นรกเข้าไป่ได้นรกตองเสิร์ฟผล อยูู่ในฐานะเปรตจะเข้าได้อยู่รู้นิพพานในฐณะที่เป็นเปรตปั๊บดับพรึบนิพพานทันทีเป่เปตน่ะบรรลุนิพพานไม่ได้ไม่ได้ไปสู่ภพใช่ก็ดับอยู่ตรงนั้นเลยไม่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นเทวดาก่อนแล้วเข้านิพ่านไม่ใช่นะคือเปรตบรรลุธรรมปั๊บก็พรึบเลยดับภพเลยเพรความเป็นอยู่ของเปรตคือภพไงเอาแล้วก็บอกมนุษย์โล้นิพานเนี่ยทําไมไม่ดับเพรามนุษย์คือภพอ่ะ เพราะคุณสมบัติของภพที่จะทรงอารมณ์นิพพานนะทรงนิพพานไหมแต่ไม่มีผู้ทรงหรอกคือนิพพานตั้งอยู่โดยอัธยาศัยของจิตที่รับทราบจิตมันรับทราบโดยตัวของมันใช้คำว่าทรงไปเลยนะไม่ได้เลยอะทรงอารมณ์เนี่ยพอสมควรเก่เวลานะวันนี้เอวัง สาธุสาธุสาธุ